ปกติหลวงพ่อจะไม่ค่อยไปเทศตามมหาวิไลเพราส่วนใหญ่เด็กมันเป็นวัยที่จะต้องเรียนรู้โลกข้างนอกสนใจโลกข้างนอกโอกาสที่จะหาเด็กที่สนใจมาเรียนรู้โลกภายในของตัวเองหายากเวลา เ, เทศให้คนที่ไม่สนใจฟังนีนะ่กินแรงมากเลยเราใช้สมาธิมาก คล้ายๆจับลิงใส่กระด้งนี่กว่าจับปูอีกนะปูยอย่างมากมันหนีมันลิงไปกัดเเบื่อวาได้ยันธรรมดาจะไม่ค่อยรับไปเทศตามมหาอัยย์แต่ที่นี่เขาเปิดให้คนทั้งนอกนะแล้วก็บุคลกรของมหาอัยยโตหน่อยฟังที่จริงแล้วมันธรรมามันไม่ใช่ว่าเด็กเรียนไม่ได้แล้วหลวงพ่อเขาภาวนาตั้งแต่เด็กตัก้งแต่็ขวบขาภาวนาลนะ ใ, ใจมันชอบนี่หาคนที่ว่ามันสนใจปฏิบัติจริงๆหายากที่จริงแล้วพระพุทธศาสนานะมีคุณค่ามหาศาลเป็นศาสตร์ที่สอนเรานะว่าทำยังไงเราจะสามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่ทุกโดยมีชีวิตอยู่แบบทุกน้อยที่สุดมองอีกมุมหนึ่งเป็นชีวิตที่อิสระเราจะเข้าถึงอิสระภาพ ที่แท้จริงในใจของเรานี่เองมนุษย์เนี่ยฝ่ายหาอิสระภาพเรียกร้องอิสระภาพแต่แต่ละคนนะตกเป็นทาตของกิเลสตัณหาโดยที่ตัวเองไม่เคยเห็นถูกกิเลสสั่งทั้งวันถูกความอยากสั่งทั้งวันให้ทำโน่นให้ทำนี่ไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองเป็นทาตอาศัยธรรมะของพระพุทธเจนะ้ามาปลดปล่อยตัวเองจนเป็นอิสระขึ้นมา เรารู้เลยว่ามันไม่เหมือนกันแต่เดิมมันเกิดมาในคุกติดอยู่ในคุกอยู่ในคุกมาตั้งแต่เกิดในจนไม่รู้ว่าตัวเองติดคุกได้ฟังธรรมะนะั้นได้ลงมือปฏิบัติพอลงมือปฏิบัติแล้วถึงรู้ว่าติดคุกอยู่แล้วก็ภาวนาไปเรื่อยถึงว่าหนึ่งใจเป็นอิสระขึ้นมาไม่มีอะไรเหมือนเป็นความสุขที่มหาศาลไม่มีอะไรเหมือนเลยคนส่วนใหญ่เขาก็แแบงหาความสุข เขาก็หนีความทุกข์แต่ความสุขเหมือนเงานะที่ จ, จับลงมาเหมือนตะครุบเหมือนจะจับได้แล้วก็หลุดมือไปทุกทีเหมือนวิ่งไล่จับเงาพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแอบเที่ยวหาความสุขแบบนั้นมันหลอกลอกัอกกนถ้าเมาื่อไรเราไม่ทุกข์นะเราจะมีความสุขนี่ความทุกข์มันเข้ามาสู่ใจได้ยังไงเยท่านก็สอนอีกธรรมะของท่านสมบูรณ์มากเลยท่านเริ่มมาจากตัวทุกข์แล้วก็เหตุ ข, ของความทุกข์ แล้วก็สภาวะที่ดับสนิทของทุกข์แล้วก็วิธีการปฏิบัตนะิเพื่อเข้าถึงความดับสนิทของทุกข์มันคือกระบวนการซึ่งท่านจิตคนขึ้นมาท่านค้นพบตั้งสอง0ันหร้อกว่าปีมาแล้วในขณะที่พวกนักวิชาการนักวิเคราะห์นักแก้ปัญหาอะไรเนี่ยเดินตามหลังหลายพันปีเลยว่าเราจะ หลวงพ่อนเะมื่อก่อนเรียนจบแล้วไปอยู่สภาความมั่นคงสภาความมั่นคงเนี่ยสอนให้กำหนดนโยบายกำหนดยุทธาศาสตร์กำหนดแผนในการแก้ปัญหาสำคัญสำคัญของประเทศผู้ใหญ่เขาสอนไหยบอกว่าคุณคิดถึงอริยาาสัจสี่ไว้ขั้นแรกต้องรู้ทุ ก, ก่อนว่ามันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างวิเคราะห์ตัวปัญหาให้ได้ อะไรเป็นปัญหาหลักอะไรเป็นปัญหารองอะไรเป็นปัญหาระยะยาวอะไรเป็นปัญหาเฉพาะหน้าถัดจากนั้นต้องดูว่าอะไรเป็นสาเหตุของทุกเมื่อรู้สาเหตุของทุกแล้วนะเราก็รู้แล้วว่าเราจะต้องดับที่สาเหตุของความทุกข์หรือสาเหตุของปัญหาถ้าเราไม่สามารถดับเหตุของปัญหาไดนะ้ปัญหานั้นก็ยังอยู่จะไปมุ่งแก้ที่ตัวปัญหาตรงๆทาไม่ได้ก็อแก้ที่เหตุเมื่อเรารู้แล้วว่าเราจะดับ ปัญหาหรือเราจะแก้ปัญหาอะไรนะตั้งเป้าให้ถูกเลยแก้ปัญหาหลักได้เอาปัญหาหลักก่อนถ้าปัญหาเบอร์หนึ่งไม่ได้ต้องรองมองเบอร์สองนะแต่และตัวจะมีน้าหนักไม่เท่ากันอย่าเราอยู่ในองค์กรนี้ในองค์กรมีปัญหาเยอะแยะเลยหรือในชีวิตเรามีปัญหาตั้งเยอะตั้งแยะนะเราต้องดูว่าอะไรเป็นปัญหาหลักถ้าจับปัญหาหลักได้นะก็มาดูว่าจะแก้ยังไงก็นะดูวิธีการนะว่าอะไรคือมร เราต้องมาดูว่าตัวเรามีอะไรอยู่บ้างมีทรัพยากรอะไรอยู่บ้างถ้าจะแก้ปัญหาตัวเนี้ทำได้ไหมถ้าทำแล้วจะมีผลกระทบอะไรถ้ามีผลกระทบที่ร้ายแรงมากราจะต้องเปลี่ยนวิธีการต้องเลือกวิธีการใหม่กระบวนการของการวิเคราะห์ปัญหาในโลกปัจจุบันหนีไม่ได้พ้นเรื่องหลักของเอธิยศสตร์สี่เลยเราก็เรียนรู้ทุกว่าอะไรคือทุกเราก็มารู้ว่าอะไรเป็นเหตุ ข, ของทุก เราก็จะต้องหาทางดับที่เหตุถ้าเราดับเหตุได้เราก็คือความทุกข์มันก็ดับไปนั้นจุดหมายปลายทางของการปฏิบัตินี่คือความดับสนิทแห่งทุกข์นี่เป็นจุดหมายปลายทา ง, มงไม่ยช่เวลาไปบวชสมัยพุทธกาลคนที่พระพุทธเจ้าท่านบวชให้ด้วยพระองค์องเองที่เรียกว่าเอหิภิกุอุปสัมทาท่านบอกว่าเธอจงมาเป็นภิกษุเถธอทำอันเรากล่าวดีแล้วเนี่ยเธอจงประพฤติปลอมประจัน เพื่อความถึงที่สุดแห่งทุกโดยชอบงั้นเป้าหมายของพระธรรมเป็นพุทธแท้ๆนะคือความดับสนิทของทุกนะพ้นจากทุกด้วยวิธีการที่ชอบคือสัมมาปฏิบัตินะศีล ส, สมาธิปัญญานั่นเองงั้นจุดหมายปลายทางของเรานะเราจะต้องปฏิบัติเพื่อความพ้นทุก์ไม่ใช่เพื่อความเฮงไม่ใช่เพื่อความรวยบางแห่งเขาสอนกันนะทำปุณเยอะๆแล้วรวยนะรวยอะไร ทำบุญเยอะขายบ้านไปทำบุญก็จนไปแล้วล่ะใครรวยก็ไม่รู้ศาสนาพุทไม่ได้มุ่งเอาที่รวยไม่ได้มุ่งเอาที่มีชื่อเสียงไม่ได้มุ่งเอาอนุนเอาอันนี้สวยรวยเก่งอะไรเงี้ยไม่ใช่เพราะอะไรรวยมันก็ไม่เที่ยงสวยมันก็ไม่เที่ยงเก่งมันก็ไม่เที่ยงอะไรอรมันก็ไม่เที่ยงถ้าปฏิบัติเพื่อเอาของไม่เที่ยงมันจะได้สาระอะไรได้มาแล้วไม่นานก็เสียไป เหมือนอย่างเราอยากรวยใช่ไหมเราหาทางทําให้รวยขึ้นมาะไปเล่นพุ้นเล่นอะไรตอนน่ออไรเดี๋ยวก็ไม่รวยละความรวยมันไม่เที่ยงศา ส, สนาพุทธเนี่ยไม่ได้มุ่งให้เราเที่ยวหาความสุขแต่มุ่งให้เราเรียนรู้ตัวเองจนมันไม่ทุกข์ถ้าไม่ทุกข์เราไม่ต้องพูดเรื่องว่าได้สุขหรือไม่สุขอะไม่ทุกข์อะเป็นยังไงอ่ะวิเศษกว่าเที่ยวหาความสุขนะได้ความสุขมาพวกเราแต่ละคน เคยเจอความสุขมาตั้งเท่าไหร่แล้วลองนึกดูซินึกย้อนหลังไปในชีวิตเราอะไรที่ให้ความสุขเราที่สุดที่เราเคยเจอสถานาการณ์อะไรแล้วก็พบว่ามันก็ผ่านไปแล้วมันก็ผ่านไปแล้วงั้นถยวหาความสุขนะเหมือนจับอะไรนิดเดียวเดี๋ยวก็หลุดมือไปอีกแล้วแต่ถ้าเมื่ อ, อไหร่ไม่ทุกนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตก็ไม่ทุกเนะี่ยมันอัศจรรย์กว่าว่ามีความสุขชั่วครั้งชั่วคราวสะ เราสามารถถอดถอนใจตัวเองออกจากความทุกข์ได้ด้วยวิธีการของพระพุทธเจ้าคือถ้าเมื่อไรเราเรียนรู้ความจริงนะว่าโลกนะโลกที่ชาวพุทธเราเรียนเนี่ยไม่ใช่โลกข้างนอกไม่ใช่โลกทางภูมิศาสตร์สิ่งที่เรียกว่าโลกก็คือรูปธปรรมกนามธรรมา ท, ที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเราถ้าเมื่อไร่รู้โลกแจ่มแจ้งเคยได้ยินไหมเคยสวดหโลกวิถูเคยสวดหม อติปิสพระวาอรหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาเจรณะสัมันโนสุขโตโล ก, กวิถูโล ก, กวิถูผู้รู้แจ้งโลกไม่ใช่โลกภูมิศาสต์นี้คำว่าโลกหมายถึงรู ป, ปรธรรมนามรธรรมที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเหานี้เองถ้าเรารู้แจ้งโลกตัวนี้นะอย่างเรารู้ความจริงอย่างท่องแท้ว่าร่างกายเนี่ยเป็นของไม่เที่ยง ร่างกายนี้อยู่ได้ชั่วคราวประกอบขึ้นมาด้วยวัตถุด้วยก้อนธาตุอาศัยธาตุของพ่อของแม่เป็นจุดตั้งต้นอาศัยธาตุของโลกหล่อเลี้ยงจนมันโตขึ้นมาไม่นานมันก็แตกสลายกลับคืนเจ้าของเดิมกลับคืนโลกไปอีกงั้นถ้าเราภาวนานะเราปฏิบัติเรารู้แจ้งว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็ไม่นานก็แตกสลายไปไม่ใช่ตัวเราที่จะอามาตะถาวร ถ้าใจมันยอมรับตรงนี้ได้นะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในทางร่างกายเราจะไม่ทุกข์ทางใจอีกต่อไปละความทุกข์จะอยู่ที่ร่างกายเท่านะั้นร่างกายแก่ใจไม่ทุกข์นะเพราะอะไรเพราะว่าปัญญามันแก่กล้ามันรู้ว่าตัวทุกข์นี่แก่ไปมัน ร, รู้ว่าร่างกายคือตัวทุกข์ตัวทุกข์มันแก่สมน้ำหน้ามันตัวทุกข์มันเจ็บสมน้าหน้ามันตัวทุกข์มันตายสมน้าหน้ามันนะใจไม่หวั่นไหว ทุกวันนี้เราหวั่นไหวเพราะอะไรเวลาแก่ขึ้นมาเราก็หวั่นไหวเพราะว่าตัวดีของเรามันแก่ไม่เป็นของเราขึ้นมาเวลามันไม่สบายมันเจ็บไข้ได้ป่วยตัวดีของเรามันไม่สบายน่าสะทกสะทานหวั่นไหวเวลาจะตายของดีของวิเศษของเรากําลังจะตายใจมันจะหวั่นไหวแต่ถ้าปัญญามันแก่รอบจริงมันรู้ความจริงว่าร่างกายนี้คือตัวทุกข์ถ้ามันรู้อย่างนี้ได้มันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายเนี่ย จิตใจจะไม่หวั่นไหวความทุกข์จะเข้ามาได้เฉพาะร่างกายเท่านั้นเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านบอกนะว่าพระอรหันต์สาวกเนี่ยเวลาความทุกข์เข้ามาถึงเนี่ยนะเข้ามาถึงแค่ร่างกายจิตใจจะไม่ทุกข์อีกต่อไปละในขณะที่คนอื่นๆเนี่ยพอ ร, ร่างกายเป็นทุกข์จิตใจจะเป็นทุกข์ไปด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่ารักร่างกายห่วงร่างกาย ถ้าเมื่อไหร่ปัญญาแก่กล้าพอเห็นความจริงว่าร่างกายไม่ใช่ของดีของพิเศษมันจะไม่ทุกข์เพราะร่างกายอีกต่อไปจิตใจนี้ก็เหมือนกันถ้าเราหัดภาวนาเป็นเราจะเห็นความจริงของจิตใจจิตใจมีแต่ความไม่เที่ยงเวลามันมีความสุขมันก็อยู่ชั่วคราวเวลามันมีความทุกข์มันก็อยู่ชั่วคราวเวลามันดีมันก็อยู่ชั่วคราวเวลามันโลบกรดลงมันก็โลบกรดลงชั่วคราว ลองนึกย้อนไปในอดีตของเราสิความสุขมันอยู่ชั่วคราวรู้สึกไหมความทุกข์มันก็ชั่วคราวบางคนบอกว่าโอ้ยความทุกข์แสนสหาหัสนะอย่างเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นวัยรุ่นอะไรเงี้ยอกหักเนี่ยโอ้ยทุกข์เหมือนโรคจะแตกสลายเลยเนะพราะนานๆไปก็หายนะความทุกข์ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันความสุข ก, ก็ไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยงความดีก็ไม่เที่ยงนะอย่างตั้งใจว่าจะขยันเรียนหนังสือเนี่ยเป็นความดี ไม่นานเลยก็ขี้เกียจแล้วใครๆครเป็นไหมตั้งใจจะดูหนังสือสอบจะดูหนังสือโต้รุ่งวันนี้ดูได้ไม่นาน่ะนะหันไปเล่นเน็ตต่อแล้วนี่ความดีมันไม่เที่ยงความโลภเที่ยงไหมรู้จักโลภไหมโลภโลภคือมันอยากอยากได้อยากได้อ ย, ไดอยากมีอยากเป็นอะไรนียความอยากอยากชั่วคราวก็หายไป ความโกรธรู้สึกไหมความโกรธที่ผ่านมาชีวิตเราโกรธได้ก็หายได้บางคนถูกอกหักก็แค้นนะถูกเขาหักอกอ่ะแค้นโกรธมากเลยจะไม่มองกันอีกจีชาติก็ไม่พบด้วยแล้วนะเข้ามาอ้อนหน่อยเดียวะนะโอโหสิเพราะเราเป็นชาวพุทธไม่ถือสาอ่างเนี้ยที่จริงไม่ใช่ที่จริงใจง่ายไม่รู้จัดจำ เดียไม่มีอะไรเที่ยงความรลก็ไม่เที่ยงความโกรธก็ไม่เที่ยงความฟุ้งซ่านก็ไม่เที่ยงเคยฟุ้งซ่านั้ยฟุ้งแหลกฟุ้งลานแล้วหายไหยหายไม่ต้องทำอะไรอะ่ะมันก็ไม่ได้ฟุงฟ้งตลอดเวลาฟุ้งตลอดเวลาไม่ได้หรอกเป็นบ้าตายไปก่อนเคยหดหูไหม้มหดหูใจซึมเศร้าหดหูอยู่ไม่นานก็หายยกเว้นเป็นโรคซึมเศร้า น, นต้องปรึกษาจิตแพทย์ ที่เป็นทางร่างกายนะเป็นนานนะต้องรักษาเป็นความเจ็บป่วยแต่ยังคนทั่วๆไปเนี่ยซึมเศร้าก็ซึมเศร้าชั่วคราวกำลังเศร้าใจอยู่เพื่อนมาพูดอะไรตลกๆก็ขำแล้วไม่ความซึมเศร้าก็ไม่เที่ยงเนี่ยถ้าเรามีปัญญาพอนะเราจะรู้เลยว่าทุกอย่างในใจเราเนี่ยไม่เที่ยงแล้วก็บังคับไม่ได้จะสุขก็สั่งไม่ได้จะทุกข์ก็ห้ามไม่ได้จะดีก็สั่งไม่ได้จะชั่วก็ห้ามไม่ได้ เราเรียนรู้ความจริงไปนะจนกระทั้งใจมันหมดความหิวใจของเราเนี่ยหิวตลอดเวลาเราหิวความสุขอยากได้ความสุขนะอยากได้ความสุขก็คิดว่าความสุขมาจากการได้เห็นอะไรที่ดีๆเราก็อยากดูอยัางอยากไปดูหนังเนี่ยเพื่อให้ทุกข์ไหมไปดูหนังอยากได้อะไรอยากได้ความสุขเห็นั้มไปฟังเพลงอยากได้ความเศร้าโศกไหมยอยากได้ความสุข ไปหาของอร่อยกินอยากได้ความสุขไปคุยกับเพื่อนสนุกสนานอยากได้ความสุขเนี่จริงๆเนี่ยหิวตลอดเวลานะหิวความสุขเวลาความทุกข์มาก็ทุรนทุรายไม่มีความสุขเลยก็หิวความสุขหนักขึ้นไปอีกรู้มใจไม่เรียบไปทาอะไรก็ไปกินเหล้าก็กินเหล้าหวังว่าจะมีความทุกข์มากขึ้นหรือเปล่าเห็นไหมจริงๆนะหิวความสุขทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเพื่อจะได้ความสุขมาแต่ความสุขเป็นของไม่เที่ยง ถ้าปัญญามันแก่กล้าพอนะมันรู้ว่าความสุขก็ไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยงใจมันจะเลิกหิวถ้าใจมันไม่หิวใจมันเต็มใจมันอิ่มมันมีความสุขอยู่ด้วยตัวของตัวเองพระอราหันต์เนี่ยท่านเลิกหิวแล้วคนอื่นยังหิวอยู่พระโสดาก็หิวนะปุถุชนเนี่ยโอ้ยหิวแบบหัวซุกหัวซุนนะวันวันหนึน่งหิวมากพระโสดาพระสกคาคาพระอนาคาคาเขยังหิวพระอนาคาคาหิวอะไร ว่านักขาไม่หิ่กามคือไม่ได้หิวในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสแต่หิวในความสุขความสงบของใจนะไม่มีรูปประราคาพอใจในรูปประชานมีอรูปประราคาพอใจในอรูปประชานพอใจในความสงบนั่นเองพอใจในความสุขความสงบความสุขความสงบเที่ยงนร่าเที่ยงไม่เที่ยงความสุขความสงบก็ไม่เที่ยงไปนะเกิดเป็นลมนะ เข้าฌานอยู่ได้ช่วงหนึ่งก็ตายเพราะว่าความสุขความสงบอย่างนี้ก็ไม่เที่ยงถ้าปัญญามันแก่รอบเนี่มันรู้เลยว่าความรู้สึกทุกชนิดเกิดแล้วดับงั้นเวลาความสุขเกิดขึ้นมาเวลาความสุขเกิดขึ้นมาใจจะไม่หลงระเริงเวลาความทุกข์เกิดขึ้นมาใจจะไม่โศกเศร้าคล้ำขรุนใจจะไม่ฟูใจจะไม่แฟบเพราะความสุขหรือความทุกข์เพราะความดีหรือความชั่ว ใจที่กระเพื่อมขึ้นกับเพิ่มลงนะฮะความสงบไม่ได้หาความสุขไม่ได้มีแต่ความกระเพื่อมหวั่นไหวอยู่ตลอดเวลางั้นเราต้องสังเกตใจเราสิรู้สึกไหมเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุก็ไปดูดูความจริงพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เชื่อท่านชวนให้พิสูจน์ ด, ดูให้ทดลองดูว่ามันจริงไหมว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันชั่วคราวสุขก็ชั่วคราวทุ ก, ก็ชั่วคราว ดีก็ชั่วคราวลบกลดลงก็ชั่วคราวไปดูเข้าแนละแล้วก็ปัญญามันแก่กล้ามันรู้ว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวสุขก็ชั่วคราวเงินไม่หิวความสุขทุกก็ชั่วคราวนะมันก็ไม่เกลียดความทุกข์นะ ใ, นใจในี้จะเข้าสู่ความเป็นกลางมีความสุขมีความสงบที่ไม่มีอะไรเหมือนความสุขในทางโลกที่พวกเรารูจักเนี่ยเป็นความสุขที่อาศัยคนอื่นหรื อ, ออาศัยสิ่งอื่น แต่ทั้งความสุขของผลมความสุขของพระนาคามีนะยังอิงอาศัยฌานสมาบัตนะิอาศัยฌานสมาบัติได้เข้าฌานแล้วก็มีความสุขพอออกจากฌานมาก็หมดความสุขไปนะพวกผลมก็วนะนะนเวียนเข้ามาอีกแต่ถ้าเมื่ อ, อไรปัญญาแก่กล้าจริงนะใจเข้าถึงความบริสุทธิ์รุดพ้นจริงใจฉลาดรู้ความจริงวัตทุกอย่างมันชั่วคราวทุกอย่างมันเป็นไปเองไม่มีอะไรที่เราสั่งได้ไม่มีอะไรที่เราบังคับใด ใจเข้าสู่ความเป็นกลางอย่างแท้จริงไม่กระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงให้โลกมันแตกไปต่อหน้าเราเนียใจยังไม่หวั่นไหวเลยให้ใครต่อใครนะตายต่อหน้าต่อตาใจยังไม่หวั่นไหวให้ตัวเองตายใจก็ไม่หวั่นไหวใจมันมีความอิ่มเอิบมีความเบิกบานเพราะว่ามันยอมรับความจริงได้ทุกวันนี้ที่เรามีความทุกข์นะทางใจเพราะว่าเรายอมรับความจริงไม่ได้ เวลาความสุขมาเราก็อยากให้อยู่นานๆาเรายอมรับความจริงไม่ได้ว่าความสุขเป็นของชั่วคราวเวลาความทุกมานะเราก็อยากให้มันหายเร็วๆนะมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราสั่งสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดจากเหตุถ้ามีเหตุมันก็เกิดถ้าหมดเหตุมันก็ดับยั้นถ้าเหตุของความทุกยังอยู่ความทุกก็ต้องอยังอยู่ไม่ใช่ตามที่เราสั่งเนี่ยถ้าสติปัญญาแก่กล้ามันจะรู้เลยทุกอย่างมันเป็นของไม่เที่ยงทุกอย่างเป็นของถูกบีบคั้นทุกอย่างบังคับไม่ได้ ใจยอมรับความจริงได้นะใจจะไม่หวั่นไหวไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่างเรายอมรับความจริงได้ว่าร่างกายต้องแก่เนะี่ยพอมีผมงอกขึ้นมานะใจจะไม่หวั่นไหวพวกเราใครมีผมหงอกบ้างแนละ้วยกมือให้ดูหน่อยมีไหมบางคนไม่ยกบอกไม่มีสักเส้นหนึ่งนะคิดถึงสมัยผมหงอกเส้นแรกนึกออกไหมผมหงอกเส้นแรกเนี่ยที่เราเห็นนะหรือที่คนอื่นบอกเรานะว่าเนี่ยผมงอกแล้ว เจ็บปวดนึกออกไหมยังจาได้ไหมหรือว่ายังไม่มีผมหงอกหน้าตาก็ไม่น่าจะไม่มีนะแล้วคนหน้าตาก็เหมือนโบราณวัตถุนะน่าจะมี <c oughs> จำตีนจาตัวแรกได้ไหมตีนจาร่องแรกเจ็บปวดนะเจ็บปวดเพราะเรายอมรับไม่ได้ว่าจะต้องแก่ว่ามัมนแก่เจ็บปวด มีคนไปตรวจร่างกายประจำปีตัวแล้วพบว่าเป็นมะเร็งขั้นที่สนีะ่หรือเป็นมะเร็งขั้นที่หนะึ่งเคสที่ลงพ่อเคยเจอนะเป็นมะเร็งขั้นที่หนึ่งเป็นตรวจร่างกายเจอกลับมาบ้านนะช็อกตายยังไม่ตายเพราะมะเร็งเลยนะแต่ช็อกตายโอ้ยเป็นมะเร็งโอ้ยกินไม่ได้นอนไม่หลับตายไปเลยนะเพราะอะไรพรยมรับความจริงไม่ได้นะอกหกัก ทุกไหม อ, อกหกักใครเคยอกหกักยกมือหน่อยสิมีไหมแม่ชีก็ยกได้นะไม่ใช่เออแม่ชีกําลังคิดว่าเราจะยกจะสมควรไหมนะยกได้ทั้งได้เวลาอกหักทุกใช่ไหมเพราะเรายอมรับความจริงไม่ได้ว่าคนคนเนี้ยเขาไม่ได้อยู่กับเราตลอดที่จริงแล้วไม่มีใครอยู่กับเราตลอดหรอกนะยกเว้นว่าไปลถความตายพร้อมๆกันเลยบินตกตายพร้อมๆกัน นอกนั้นต่างคนต่างตายนะเราอยอมรับไม่ได้วนะ่าคนที่เรารักเนี่ยพลัดพรากไปยอมรับความจริงตัวนี้ไม่ได้เราก็ทุกข์นะถ้าอยอมรับได้เราจะไปทำอะไรนะเราจะไปเปลี่ยนทรงผ ม, มถ้าผู้หญิงออกหักต้องไปเปลี่ยนทรงผมใหม่คล้านยะๆชีวิตนี้เริ่มต้นใหม่นะถ้าผู้ชาย อ, อกหักไปทำอะไรผู้ชายคนไหนเคย อ, อกหักมัง้ง ม, มีไมไปทำอะไร ร้องไห้อะไรนะหาใหม่<笑><笑>พวกมองโลกแง่ดีหาใหม่ป็นทีก็อกหักใหม่แต่โอกหักครั้งที่สองไม่เจ็บปวดเท่าครั้งแรกนึกออกไหมใครเคยโอกหั ก, กหลายครั้งรู้สึกไหมว่าแต่ละครั้งเนี่ยความทุกข์ไม่เท่ากันเพราะใจเนี่ยได้เตรียมพร้อมแล้วว่าจะเจอสถานการณ์อย่างนี้นมีความเป็นไปไ ด, ได้ที่จะถูกเขาทิ้ง เมีอกหักครั้งที่4ที่5นะเฉยๆแล้วนะเหมือนโยนเศษผ้าเก่าๆพื้นหนึ่งทิ้งไปเนะพราะอะไรเพราะใจยอมรับได้ถ้าเมื่อไหร่ใจยอมรับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นไม่ได้จะทุกข์ทางใจนะศา ส, สนาพุทธเนี่ยสอนให้เราเรียนรู้จนกระทั่งเรายอมรับความจริงว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเรานะทั้งร่างกายหรือทั้งความรู้สึกในใจเนะี่ยเป็นของไม่คงที่ เป็นของที่ถูกบีบคั้นให้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะเป็นของที่บังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจถ้าใจยอมรับได้ใช่ไหมมันก็ไม่ถูกแล้วละ่ะอกหักมันก็เรื่องธรรมดานะมันก็แค่ว่าแยกกันไปนะเคยเคยรักกันแล้วก็เลิกรักกันไปนะไม่เลิกตอนนี้ไม่แยกกันตอนนี้วันหลังก็ต้องแยกนะใครมีพ่อแม่แก่ๆมัมีแล้วตายไปคนหนึ่งมีไหม ยากนะที่จะตายทีเดียวสองคนะนะส่วนมารถตายทีละคนสังเกตมไหมคนแก่ที่มีคู่นะพอตายไปคนหนึ่งเนะี่ยเฉาเลยรู้สึกไหมเฉาวพวกเราเตรียมตัวไว้คนรุ่นเราเนี่ยเราอยู่ในครอบครัวที่เล็กมากเลยนะมีพ่อแม่ลูกยังไม่ทันจะเกิดอะไรขึ้นเลยนะลูกไม่จําเป็นต้องตายนะลูกไปเรียนหนังสือเงี้ยก็แยกออกจากบ้านไปนะแล้วเหลือแต่พ่อกับแม่นะพ่อแม่ตื่นเช้าขึ้นมาต่างคนต่างไปทํางาน บางคนสามีทำกลางคืนนะภรรยาทำกลางวันเจอกันครั้งเดียวนะแต่ละวันนะคือเจอกันว่ามันหลับอยู่บนเตียงนะตัวเองไม่ได้ยุ่งอะไรไม่ได้พูดอะไรกันรันะก็สุดท้ายตายไปคนหนึ่งนะแต่คนก็อยู่คนเดียวฝรั่งมีเยอะนะฝรั่งนะไม่มีลกูกทำไมไม่มีลกูกเพราะว่าเด็กอายุ18เนี่ยออกจากบ้านหมดเลยไปทำอาหากินไปช่วยตัวเองไปเรียนตัวเองแล้ทิ้งพ่อทิ้งแม่ไว้พวกเรา ต่อไปต้องเจอสถานการณ์อย่างนี้สังคมของเราเปลี่ยนเป็นสังคมเชิงเดี่ยวมากขึ้นแล้วนะครอบครัวเนี้เป็นครอบครัวเดียเด่ยวๆนะแล้วก็ลูกจะแยกออกไปอย่างรวดเร็วเลยเมื่อก่อนคนรุ่นหลวงพ่อเนี้ยนะรุ่นพ่อรุ่นแม่อะไรนเนี้ยสร้างบ้านเนี้ยอยากสร้างให้ใหญ่ๆนะปลูกบ้านได้หลายหลังในที่เดียวกันถ้าไม่มีเงินซื้อที่กว้างๆนะก็จะสร้างบ้านมีห้องเยอะๆให้ลูกอยู่ห้องละคนห้องละคนนะ มีครอบครัว ม, รมีลูกมีหลานเดี๋ยวมันก็ตีกันนะเดี๋ยวภาคเดียวก็ตีกันทุกวันนี้บ้านร้างเยอะแยะเลยมันไม่มีคนอยู่เพราะมันตายไปคนหนึ่งนะที่เหลือเฉาเราภาพไปเจอบางประเทศนะ่ะนั่งรถไปเห็นเลยว่าตามสะพานเนี่ยเขาทำแผงกั้นทาแผงกั้นไว้ข้างสะพานเราเห็นปุ๊บเรารู้เลยคนชอบกระโดดน้าตายให้ถามคนที่เขาอยู่ที่นั่น ว่ฝรั่งเนี่ยมันฆ่าตัวตายเยอะเหรอเยอะมากเยอะมากเลยเพราะมันเหงามีกินมีใช้นะรัฐบาลเลี้ยงคนแก่คนตกงานในรัฐบาลเลี้ยงได้แต่ว่ามันเหงามีกินจริงมีใช่จริงแต่ว่าเหงาฆ่าตัวตายเพราะอะไรเพราะมันยอมรับความจริงไม่ได้ว่าวันหนึ่งเราต้องอยู่คนเดียวเวลาเกิดเกิดทีละคนใช่ไหมเวลาตายก็ตายทีละคนเหมือนกัน ศา ส, สนาพุทธเนี่ยจะสอนให้เรานะเรียนรู้ความจริงของชีวิตนะสิ่งที่ประกอบเป็นชีวิตเราคือร่างกายกับจิตใจเรานี้เราเรียนรู้ความจริงของร่างกายของจิตใจจนยอมรับความจริงของมันได้มีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของเป็นทุกข์ของเป็นอนัตตาอ น, นิจจงทุกขังอนัตตาอ น, นิจจงหมายถึอว่าของซึ่งเคยมีแล้วมันไม่มีทุกขขังหมายถึงว่าของซึ่งกำลังมีเนี่ยกำลังถูกบีบคั้นให้ไม่มี อนัตตาหมายถึงว่าของจะมีหรือของจะไม่มีสั่งไม่ได้เป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราสั่งเนี่ยความจริงรูปธรรมนามธรรม ท, ที่ประกอบกันเป็นตัวเราเนี้ตกอยู่ใต้ความเป็นไตรลักษณ์คืออนิจจงทุกขังอนัตตานี่เองแต่ว่าคนทั่วไปไม่เคยเรียนรู้ความจริงของกายของใจเพราะงั้นอะไรเกิดขึ้นในร่างกายยอมรับไม่ได้อะไรเกิดขึ้นในใจยอมรับไม่ได้ยอมรับไม่ได้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นความทุกข์จะเกิดขึ้น ความทุกขในใจจะเกิดขึ้นงั้นหันหน้ามาเรียนรู้ความจริงของชีวิตนะหันหน้ามาเรียนรู้ความจริงของกายของใจวิธีเรียนรู้ความจริงของกายของใจทาอย่างไรนะเป็นหลักที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานฟังชื่อแล้วน่ากลัววิปัสสนากรรมฐานกรรมฐานคือที่ตั้งของการงานนะมีงานที่จะต้องทำนะงั้นใครบอกว่า ปฏิบัติทำไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ใช่ต้องทํากรรมฐานกรรมฐานนี่ชื่อแล้วว่าเป็นที่ตั้งของการทํางานที่ตั้งของการงานนีการจะทํากรรมฐา น, นวิปัสนาแปลว่าอะไรมาจากคำว่าวิคําว่าปัตสนะปัตสนะว่าเห็นวิแปลว่าแจ้งเห็นแจ้งเห็นถูกต้องเห็นตรงตงามความเป็นจริงเห็นร่างกายตรงตามความเป็นจริงเรียกว่าวิปัสนาเห็นจิตใจถูกต้องตรงตามความเป็นจริงเรียกว่าวิปัสนา แตาอย่าไปกลัวคําบาลีนะได้ยินว่าเขาทำวิปัสนาแล้วเขาทาอะไ ร, ะไรลึกลับซับซ้อนง่ายกว่าที่คิดเยอะเลยไอ้ที่เขาทำนะส่วนใหญ่ไม่ใช่วิปัสนาด้วยนะถึงจะแกล้ป้ายว่าวิปัสนาจริงๆไม่ใช่วิปัสนาหรอกส่วนใหญ่ไปเพ่งกายเพ่งใจไปทําสมะถะกรรมฐานไม่ใช่วิปัสนากรรมฐานแต่คิดว่าทําวิปัสนานะถ้าคนทําวิปัสนาจริงนะฝานี้พระอริยะเต็มบ้านเต็มเมืองแล้ว นี่ไม่ค่อยจะมีนะมีแต่ขยะเต็มบ้านเต็มเมืองมีแต่คนผู้ร้ายเต็มไปหมดเลยถามจริงอะพวกเรารู้สึกว ah. ่าพระนะพระในเมืองไทยมีสองแสนใครว่าพระดีมีถึงครึ่งบ้างยกมือซิมีไหมเกินครึ่งเหรอดูสิสิบเอร์เซ็นตได้ไหมใครว่าสิบอัพเกินสิบมีไหมใครว่าต่ากว่าสิบโอเนี่ยมองโลกแง่ร้าย หรือว่ามองตามความเป็นจริงเราอยู่ในสังคมที่ชั่วมากๆนะชั่วมากๆเลยบางคนก็บอกว่าพระไม่ดีนะแล้วก็จะให้ฆราวาสมาปกครองพระนะลืมไปว่าฆราวาสก็ชั่วเหมือนกันนะไอ้พระที่ชั่วนี่มันมาจากไหนมันมาจากฆราวาสที่ชั่วนะแล้วมันตัดสันดานตัวเองไม่ไหวยังชั่วอยู่นะ งั้นถ้าสังคมของเราดีนะพระมันจะดีกว่านี้พวกเราช่ว่าพระไม่มีศีลไม่ทมพวกเราาศีลห้าก็ไม่ค่อยจะมีนะ <c oughs> ก่อนจะว่าเขาตัวเองต้องเอาให้ได้สิพรนะไม่ดีก็มีพระดีๆก็มนะีคนที่บวชโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนของชีวิตมีนะปฏิบัติเพื่อจะพ้นทุกเนี่ยมีไม่ใช่ไม่มนะีแต่พระมันไม่มีข่าวมีไมหนังสือพิมพ์ลง พระวัดสวนสันติธรรมเดินจงกรมจนขาหักอย่างเงี้ยนะนะเดินทั้งวันทั้งคืนอย่างเงี้ยไม่มีหรอกนะถ้าบอกพระเตะตะกล่ออย่างค่อยหน้าลงหน่อยใช่ไหมพระเ ต, ตกเตะหมาเนะี่ยมีข่าวล้พระเตะปากโยมอุ้ยข่าวดังนะนะพระเดินจงกรมไม่มีข่าวอ่ะนะดีชั่วไม่ชเราไม่รู้นะแต่เราต้องรู้จักแยกแยะนะรู้จักแยกแยะใช้ความสังเกตเอาอย่าเชื่อ อย่าไปโมเมว่าเขาดีหรือเขาชั่วนะจนกว่าเราจะรู้จริงๆต้องอยู่ใกล้ๆถึงจะรู้วิปัสสนากรรมฐานทําอย่างไรไม่ใช่เรื่องยากเลยวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยคือการเรียนรู้ความจริงของร่างกายของจิตใจก่อนจะเรียนรู้ความจริงของร่างกายของจิตใจได้ขั้นที่หนึ่งต้องรู้สึกกายต้องรู้สึกใจได้ถ้าใจลอยมีร่างกายก็ลืมร่างกาย ลืมร่างกายไปแล้วจะไปเห็นความจริงของร่างกายไม่ได้งั้นต้องรู้สึกร่างกายได้เราถึงจะเห็นความจริงของร่างกายได้มีจิตใจจิตใจเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะตาเห็นรูปใจก็เปลี่ยนหูได้ยินเสียงใจก็เปลี่ยนจ ม, มูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจก็เปลี่ยนคิดขึ้นมาใจก็เปลี่ยนความรู้สึกมันเปลี่ยนถ้าเราใจลอย เวลาใจลอยรู้จักใจลอยไหมใจลอยนะเป็นสุขก็ไม่รู้เป็นทุกข์ก็ไม่รู้โรคหลดหลงก็ไม่รู้เคยเห็นคนโมโหไหมคนโกรธกำลังจะชกกับคนอื่นหรือกำลังจะตบคนอื่นสนะังเกตมกนาณั้นเขาเห็นอะไรเขาเห็นคนอื่นนะเขาไม่เห็นตัวเองนะเวลาเราขับรถอยู่ใครขับรถบ้างใครขับรถยนต์เคยถูกปาดหน้าไหมโกรธไหม ถ้าไม่โกรธก็ผิดปกติอ่ะไปตรวจสูรภาพจิตซะบ้างนะมันนิ่งเกินไปเวลาโกรธทํำยังไงรู้ว่ากําลังโกรธไหมไม่รู้หรอกมึงเห็นไหมดูเข้าทันทีเลยเห็นไหมดูตัวเองไม่ยากแต่มันละเลยที่จะดูนะใจของตัวเองโกรธอยู่ไม่ดูดูไอ้คนที่ทําให้โกรธไปเห็นสาวงามเดินมานะ ใจชอบไม่รู้ว่าใจตัวเองชอบนะดูแต่โอ้สวยอย่างนน้นสวยอย่างนี้บางทีผู้หญิงบางคนก็ชอบสาวงามนะยุคนี้สับสนมากเลยผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยแยกยากมากเลยเดี๋ยวนี้หลวงพ่อยังชัดสับสนด้วยสับสนยังไงเวลาจะกลับเนี่ยนะโยมชอบมานั่งคุกเข่านะจะให้รูปผัวเราต้องดูแล้วดูอีกผู้หญิงดูผู้ชายว่าดูไม่ออก เมื่ดูไม่ออกก็ต้องข้ามไปเลยนะดูยากคนส่วนใหญ่ชอบดูของข้างนอกละเลยที่จะรู้จักตัวเองหลวงพูดโดนเคยสอนหลวงพ่อนะบอกว่าการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะพวกไม่ปฏิบัติขนาดเนี้ยร่างกายเรานั่งอยู่รู้สึกไหมลองไปยักหน้าสิรู้สึกไห ม, ไห ร, ไหมร่างกายพยักหน้ายากไหมรู้สึกว่าร่างกายพยักหน้ายากไหมลองขยับสิ รู้สึกไหมร่างกายขยับนี่ไม่ต้องเอาตาไปดูนะต้องนี่นะขยับเราก็รู้สึกใช่ไหมหายใจออกหรือหายใจเข้ารู้สึกได้ไหมไม่ใช่ทั้งจากแต่เราล้าเลยที่จะรู้สึกเราสนใจรูปที่มองเห็นสนใจเสียงสนใจกลิ่นสนใจรสสนใจสิ่งที่มาสัมผัสร่างกายสนใจเรื่องราวที่คิดขึ้นมาเราสนใจของเหล่านี้ทาให้เราลืมที่จะรู้สึกกายรู้สึกใจตัวเอง งั้นขั้นแรกเลยอย่าเพิแต่หลงของข้างนอกนะตามมาเห็นรูปเช่นเห็นเขาปาดหน้าใจโกรธให้รู้ว่าใจโกรธนะให้หัดดูดตัวเองนะแล้วก็จะเห็นในหน้าตาก็เปลี่ยนนะเวลาโกรธขึ้มารู้สึกไหมเวลาโกรธหน้าเราเปลี่ยนหน้าตาเราหน้าเอ็นดูไหมถ้าส่องกระจกเข้าไปนะ้นอัปลักษณ์มากเลยหน้าเกลียดหน้ากลัวนะเวลาโลกขึ้นมาหน้าตาก็หน้าเกลียด น, นะ เวลาโลภบางคนหน้าตาดูไม่ได้เลยมันโลภมากภาษาถ้าโลภมากภาษายุกนี้เลยขื่นเห็นไหมดูหน้าตามันจะดูไม่ได้เลยมันทุเรศเห็นไหมเขาไม่เคยเห็นตัวเองเขาถูกความรู้สึกต่างๆครอบงําใจโกรธขึ้นมาเขาไปดูคนที่ทําให้โกรธรักขึ้นมาเขาไปดูคนที่ทําให้รักได้กลิ่นได้กลิ่นใจชอบ ไม่รู้หรือได้กลิ่นแล้วใจกลัวไม่รู้นะอย่างเราอยู่ในบ้านเราเนี่ยอยู่ๆได้กลิ่นดอกไม้หอมๆนะอยู่ในบ้านนะห้องแอร์ด้วยไม่มีดอกไม้ด้วยไม่ได้ฉีดสารเคมีอะไรด้วยอยู่ๆก็หอมมาอย่างเงี้ยนะจะรู้สึกยังไงเริ่มใจมเทวดามาเยี่ยมหรือว่าผีหลอกนะถ้าหากเป็นกลิ่นน้ำอบเนี่ยโซนเนี่ยมันจะปลุกความรู้สึก รู้สึกน่ากลัวใช่ยิ่งถ้าไปงานศพมาใหม่ๆนะแล้วกลับบ้านมาได้กลิ่นน้ำอบเนี่ยโอยสยองหรือได้กลิ่นเน่าเวลาอยู่บ้านนะได้กลิ่นเน่าๆเนี่ยกลุ่มใจตัวอะไรมาตายในบ้านก็เที่ยวดมใหญ่เที่ยวหาหานะไม่รู้ว่ากำลังกลุ่มใจเแค่นี้เองถ้าไปอยู่ตามวัดแล้วได้กลิ่นเน่าเนี่ยจะไม่กลุ่มใจ จาเกิดสภาวะอย่างนี้นะผีอยู่ได้ทุกหนทุกแห่งไม่รู้ว่ากลัวการปฏิบัติไม่ใช่เรื่องยากร่างกายเรานั่งอยู่คอยรู้สึกร่างกายหายใจคอยรู้สึกร่างกายพยัพยกหน้าคอยรู้สึกรู้สึกถึงร่างกายนะหรือจิตใจเราสุขก็อคอยรู้สึกจิตใจเราทุกจิตใจเราโลภจิตใจเราโกรธจิตใจเราหลงคอยรู้สึกไปเรื่อยๆรู้สึกตัว คำว่ารู้สึกตัวก็คือรู้สึกกายรู้สึกใจก็นะรู้สึกไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะเริ่มเห็นความจริงของร่างกายร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราร่างกายมันเหมือนเปลือกเหมือนถ้ำนะที่จิตอาศัยอยู่ร่างกายนี้เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาเช่นหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกหายใจออกแล้วหายใจเข้ากินอาหารแล้วก็ขับถ่ายดื่มน้าไปก็ไปฉี่เป็นเหงื่อบ้างเป็นอะไรบ้างนะ เนี่ยมีธาตุที่หมุนเวียนได้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราที่แท้จริงจิตใจนี้ก็เต็มไปด้วยความไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงดีก็ไม่เที่ยงชั่วก็ไม่เที่ยงมันจะยากอะไรใจเรามีความสุขเราก็รู้ใจเรามีความทุกข์เราก็รู้ไม่ยากหรอกเห็นไปเรื่อยๆมันก็จะเกิดปัญญารู้ว่าความรู้สึกทุกอย่างอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปแค่นี้เองที่เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานไม่ใช่ต้องไปเดินให้ลำบากต้องนั่งให้ลำบากเรานะ เดินช้อปปิ้งก็ทำวิปัสนาได้ะแต่ส่วนใหญ่ทาไม่ได้เพราะใจลอยเจอทีแรกก็ตั้งใจนะฟ้าเคยรู้จักผู้หญิงคนหนึ่งตั้งใจมาอากาศมันร้อนน่ะจะไปเดินศูนย์การค้าเอาแอร์ตั้งใจจะไม่ซื้อของนะเผลอแวบเดียวนะออกจากห้างมาเนี่ยคิวจะไม่ไหวนะเพราะอะไรมันไม่รู้ทันตัวเองเห็นไอ้นี่ก็อยากได้ก็ซื้อเห็นไอ้นี่ก็อยากได้ก็ซื้อไม่ทันเห็นว่าใจอยากได้ เวลาอยากได้รู้ว่าอยากได้ก่อนนะเวลาอยากกินอยากดูอยากได้กลิ่นอยากได้รสเลยรู้ทันใจของตัวเองซะก่อนแล้วมันจะมีเหตุผลในการที่จะซื้อหรือไม่ซื้อเนี่ยซื้อแต่บี้ตบันสุดท้ายก็กองไว้เต็มบ้านเลยในบ้านเรามีของอะไรไหมที่ว่าปีหนึ่งแล้วเราไม่เคยจับเลยที่เรารู้สึกสําคัญมากเราซื้อมาเสื้ออย่างบางตัวเสื้อซื้อมานะรองเท้ากระเป๋าซื้อมาปีหนึ่งยังไม่ได้ใช้เลย มีไหมเอาไปบริจาคเกนะิด <c oughs> ประโยชน์มากกว่าไม่งั้นมันก็ผุอยู่นะไม่ได้ใช่หรอกพอวันที่จะหยิบมาใช้ล้าสมัยไปแล้วใช้ไม่ลงละของวิเศษแล้วใจตอนอยากได้ไม่เห็นก็ซื้อแหลกถ้าเรารู้ทันตัวเองนะรู้ทันใจตัวเองจะรวยกว่าเก่าด้วยนะจะไม่ซื้ออะไรเรียราดหรอกแล้วฝึกไปเรื่อยนะเรคอยรู้ทันใจตัวเองเรื่อยๆใช้ได้สารพัดเลย ใช้ในทางโลกได้สารพัดเลยนะไม่เฉพาะการทาํำวิปัสสนากรรมฐานถ้ทาทํำวิปัสสนาเนี่ยสุดท้ายจะเห็นความจริงของกายของใจแล้วก็ไม่ยึดถือไม่ยึดถือก็จะไม่ทุกข์ความทุกข์มันก็อยู่ที่กายที่ใจเท่า น, นั้นก็ไม่ยึดกายไม่ยึดใจมไม่มีที่ตั้งของความทุกข์แล้วเอาไปใช้ทางโลกก็ได้เยอะนะการที่เราฝึกจิตฝึกใจรู้ทันใจตัวเองไปเรื่อยเรู้ทันร่างกายรู้สิษย์ลวงพ่อเนี่ยพวกใจร้อนเยอะขับรถเนี่ยรถว่าํารถงายเนี่ยเยอะมากเลย แล้วไม่ค่อยมีใครเป็นอะไรนะรถพังนะแต่ตัวไม่ค่อยเป็นไรนะบางคนก็ลือว่าหลวงพ่อมีพระดีเป็นพระของหลวงพ่อดีจริงนะรพระสติพระสติพระสมาธินี่แหละเวลาเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำปับเนี่ยสติมันทํางานอัตโนมัตินะใจมันติดขึ้นมาเลยสมาธิมันเกิดใจมันตั้งมั่นนะมันเห็นรถกําลังหมุนนะเห็นร่างกายตัวเองกาลังหมุนไปนะเป็นชอ็ชอต ช, อชอ็เหมือนเราดูภาพสโลโมชั่นเลย นั่นเป็นช็อตช็อตช็อตอันตรายเกิดขึ้นมันพอหลบหลีกไดนะ้ควรจะเจ็บมากก็เจ็บน้อยหรือเวลาไม่สบายนะไปหาหมอนะคนอื่นเขาปลุมใจนะเจ็บปวดมากเลยถ้าเราพอนาเป็นเราจะพบว่าความเจ็บปวดมันมี2 อ, อย่างซ้อนกันอยู่เจ็บปวดทางร่างกายเนี้ยส่วนหนึ่งความเจ็บปวดอีกส่วนหนึ่งเนี้ยใจของเราเลยไปขยายความเจ็บปวดทางร่างกายให้มากเกินจริง เพราใจเรากังวลมากนะใจจ้องอยู่ตรงนั้นที่มันเจ็บมันยี่เจ็บหนักกว่าเก่าอีกแต่ถ้าเราฝึกจิตฝึกใจของเราชํานาญนะมันจะเหลือแต่ความเจ็บทางร่างกายะใจไม่เป็นคนดูมันเห็นหมอเขากําลังฉีกเนื้อเถือหนังเรานะอมันเห็นรู้สึกอยู่บางทีใจมัเป็นคนดูมันไม่รู้สึกว่าเขาทําเรานะมันจะเจ็บเหลือนิดเดียวเหลือส่วนเดียวอย่างผู้หญิงบางคนนะเวลามีประจําเดือนแล้วปวดท้องมากเลย บางคนปวดลงไปดิ้นๆ น, นะต้องหายากินต้องอะไร่เงี้ยทุกเดือนต้องเตรียมยาไว้กินแล้วพอหัด ภ, ภาวนาเนี้ยรู้ทันใจตัวเองนะปวดท้องมีประจำเดือนปวดท้องมันเห็นเลยว่าความปวดของร่างกายเนี้ส่วนหนึ่งความปวดที่จิตใจของตัวเองกังวล น, นะไปขยายความรู้สึกทางร่างกายเนี้ยเป็นอีกส่วนหนึ่งเพรนี้ความรู้สึกทางใจไม่เกิดขึ้นนะไม่ไปขยายเหลือแต่ความรู้สึกเจ็บปวดทางร่างกายไม่เจ็บเท่าไหรนะ่ไม่ต้องกินยาบางคนเป็นมะเร็ง ต้องให้เขาเรียกอะไรอะมอร์ฟีนให้มอร์ฟีนนะไม่งั้นปวดมากเลยภาวนานะเขาลดการใช้มอร์ฟีนลงได้เยอะเลยนะเพราะว่าใจเนี่ยมันไม่ตกตกใจมันไม่ขําครวนล้าใจมันตกใจมันรู้สึกเจ็บกว่าความเป็นจริงนี่ค่อยๆฝึกนะไม่ใช้สารพัดประโยชน์เลยในเวลาเกิดเรื่องฉุกเฉินขึ้นในชีวิตเราเนี่ยใครมีลูกบ้างเคยคิดไหมว่าลูกจะตายก่อนเรา ใครเคยคิดบ้างว่าลูกอาจจะตายก่อนเราไม่ค่อยกล้าคิดอนะรู้สึกไหมใครเคยคิดว่าพ่อแม่จะตายก่อนเราบ้างรู้สึกไหมว่าเราคิดเยอะกว่าเพราะเวลาพ่อแม่ตายเนี่ยทุกน้อยกว่าลูกตายเพราะลูกตายเนียไม่เคยคิดเลยไม่กล้าคิดเลยไม่ยอมรับเยยอมรับไม่ได้ในทุกเยอะแลีถ้าเมื่อไหร่ชีวิตเรานะเราหัดดูกายดูใจไปเรื่อยมันยอมรับความจริงได้ กลับบ้านวันนี้เขาแจ้งมาว่าลูกลดความตายไปแล้วไปเที่ยวสงกรานยังไม่กลับบ้านคอหักตายไปแล้วะให้ไปรับศพได้ทุกไหมทุกนะเพราะยังไม่ใช่พระนาคายังทุกอยู่แต่มันพอทนได้ไม่ทุกกลีดคลีดช็อกไปอีกค น, นสามีปวดหัวเลยลูกก็ตายอยู่ที่นอนเมียก็ชักอยู่ตรงนี้ะลําบากไปฝึกเขานะหัดรู้สึกกายหัดรู้สึกใจฟังหลวงพ่อครั้งเดียว ยากที่จะรู้เรื่องไปฟังซีดีไปดู y o u ูทูบซีดี u t u b e ที่หลวงพ่อเทศไว้นะไม่ใช่ไปดู youtube เรื่องอื่นนะแล้วบอกเนี่ยตามที่หลวงพ่อสั่งให้ดู youtube ดูมาสามวันแล้วหนังเรื่องนี้สนุกสนุกอนะไรเงยเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องนี้อย่างเงี้ยไม่มีวันบรรลุมรรคผลอะไรหรอกนะไปดูที่หลวงพ่อเทศนะไปดูสักพักเดียวประมาณเดือนหนึ่งสองเดือนสเดือน ถ้าสเดือนนี่เข้าขั้นโง่ผิดปกติแล้วถ้าเกินวันนั้นโง่มากแล้วนะไม่ต้องเรียนแล้วไปหาที่เรียนเอาที่อื่นแะ้วงั้นเะดือนสองเดือนอะไเนี้ยชีวิตจิตใจ จ, จะเปลี่ยนเราจะเหมือนเราเกิดขึ้นใหม่นะเราเป็นชาวพุทธที่แท้จริงขึ้นมาเราเกิดขึ้นมาใหม่ชีวิต จ, จิตใจเราเปลี่ยนมันมีความรู้สึกมาเรากําลังตื่นขึ้นมาอย่างแท้จริงตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี้ยตื่นแต่ร่างกายใจไม่เคยตื่นเลยเนี่ยไปฟังซีดีนะแล้ว ร, รู้สึกว่าเหมือน ตื่นขึ้นมาใหม่เหมือนเป็นคนใหม่อันนี้เจ้าตัวรู้ด้วยตัวเองคนข้างๆเขาก็รู้ใชยมีผู้ชายคนหนึ่งนะมาที่วัดมาแล้วก็มาคอยจับผิดหลวงพ่อว่าทํำยังไงพระองค์นี้ทําไงวะเมียเราเปลี่ยนไปเมียเราเคยปากมากทั้งๆที่มีปากเดียวนะแต่เรียกว่าปากมากเดี๋ยวนี้ปากน้อยนะเคยด่าเป็นไฟเดี๋ยวนี้ยิ้มหวานอะไรเงี้ยทําไมพระองค์นี้ไปทําอะไรเมียเรา นิส่ใจคอบเปลี่ยนหน้าตาก็เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนได้นะคนที่ภาวนากับคนไม่ภาวนาหน้าตาไม่เหมือนกันหรอกคนที่ไม่ภาวนานะหน้าตาก็อย่างนี้นะคนภาวนาหน้าตามันผ่องใสใเบิกบานนะสดชื่นกว่ากันเยอะเลยเนีย่ยสามีสงสัยมาดูสุดท้ายมาติดแหนะอยู่ที่วัดหลวงพ่อทั้งบ้านเลยพ่อแม่ลูกนะมาภาวนาด้วยกันเลยถ้าทำได้อย่างนี้นะครอบครัวนี้มีความสุขมากเลย ฝึกนะธรรมะอย่างนี้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าจะไม่มีการถ่ายทอดมีปัจนากรรมฐานมีอย่างมากก็สมถะกรรมฐานมันมีมาก่อนพระพุทธเจ้าแต่วิปัสสนากรรมฐานเนี่ยถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าจะไม่มีการสอนแล้วถ้าไม่เจริญสตินะรู้กายรู้ใจไปทำํำวิปัสสนาเนี่ยนะไม่มีทางบรรลุมรรคผลหรอกคนจะบรรลุมรรคผลได้เนี่ยจิตมันเข้าใจความจริงจิตมันยอมรับความจริงนึกวเกิดสมาธิฏฐิ ยอมรับความจริงขึ้นว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเรากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ถ้าเห็นว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราจะเป็นพระโสดาบันถ้าเห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์จะเป็นพระอรหันต์นะจะไม่ทุกข์อีกต่อไปละกายเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์แต่ว่าจิตที่บริสุทธิ์แล้วไม่ทุกข์อีกต่อไปนะเป็นศาสตร์แห่งความพ้นทุกข์เลยสิ้นเชิงนะศาสนาพุทธเนี้ยงั้นบางคนบอกว่าเป็นพุทธเป็นพุทธเป็นแต่ชื่อ พุทธเจ้าสอนอะไรก็ไม่รู้รู้อย่างเดียวว่าวันเกิดเขาไปใส่บาตรทีนึงถ้าตายก็หาเันไปเผาในวัดนี่ชาวพุทธหรือว่าจะสอบหรือจะเลื่อนสีแล้วก็ไปบน่นบ่นจะขอไปมุดใต้โบสถ์เท่ทานี้ครั้งไปนอนในโรงศพนะจะทำอย่างโน้นจะทไม่ใช่เรื่องของชาวพุทธเลยเรื่องการติดติกศีลบนนะไม่ใช่เรื่องของชาวพุทธชาวพุทธพึ่งตัวเอง เรื่องตัวเองมีเหตุมีผลไม่ใช่เชื่ออะไรที่งมงายงั้นฝึกเข้านะวันหนึ่งเราจะได้รับความสุขที่แท้จริงเพราะมันไม่ทุกวันหนึ่งเราจะมีอิสระภาพที่แท้จริงนะเพราะไม่มีเครื่องปูกมัดเจ้านายที่เคยวงการเราตลอดชีวิตมันตายไปจากเราเจ้านายตัวนั้นคือตันหาคือตัวอยากอยากดูอยากฟังอยากได้กลิน่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสอยากได้เรื่องราวทางใจอย่างน้อนอย่างนี้นะ มันจะไม่อยากอีกต่อไปแล้วถ้ามันรู้ความจริงว่ากายนี้ใจนี้คือตัวทุกข์รู้ทุกข์เมื่อไหร่ก็ละสมุทัยคือละความอยากอัตโนมัติเมื่อนั้นเลยไม่ใช่รู้ทุกข์ทีหนึ่งวันนี้รู้ทุกข์พรุ่งนี้ละสมุทัยวันนี้แจ้งนิโรธมลือนุ่นเกิดอริยมรรต์ไม่ใช่เมื่อไหร่รู้ทุกข์เมื่อนั้นละสมุทัยเมื่อไหรนละสมุทัยเมื่อนั้นแจ้งนิโรธคือเห็นพระนิพพานเมื่อไหร่แจ้งพระนิโรธเมื่อนั้นเกิดอริยมรรต์ในขณะเดียวกันนั้นเอง เป็นศาสตร์ที่อศัศจรรย์นะอศัศจรรย์แต่ว่าทดสอบได้ลงมือทาแล้วเราก็จะเห็นจริงจะเรื่อมใสในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะอศัศจรรย์จริงๆเลยท่านคนพบธรรมาที่เรียบง่ายแต่ให้ผลอย่างอาศัศจรรย์เรียบง่ายมากเลยยิ้มสิรู้สึกไหมกำลังยิ้มเรียบง่ายไหมนะไม่ใช่ว่าต้องไปเดินท่านี้นะต้อง ทำอย่างนี้ต้องอย่าง น, นั้นต้องอย่างนี้มีแต่คำว่าต้องเต็มหัวเลยห้ามอย่างนี้ต้องอย่างนี้เครียดตายเลยฝึกไปฝึกมาถึงเข้าโรงพยาบาโลโรคจิตกันเยอะเลฝึกกันผิดนะ่ะรู้สึกตัวไปนะหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกสมาธิมันเกิดใจมันสงบใจมันร่มเย็นหายใจไปด้วยความรู้สึกตัวสมาธิจะเกิดแล้วก็เดินปัญญาต่อเห็นร่างกายหายใจใ จ, ใจเป็งคนดู เห็นความสุขความทุกข์ความดีความชั่วเกิดขึ้นมาตับไปใจเป็นคนดูนะใจมีสมาธิเมืน่นใจมันก็เป็นแค่คนดูเห็นร่างกายเห็นจิตใจทำงานเห็นกายเห็นใจทำงานถูกต้องตรงตามความเป็นจริงนั่นแหละวิปัสสนากรรมฐานนะไม่ใช่ยากอะไรเลยไปฝึกเอานะเราสมควรแก่เวลาแล้วละ่ะการนมัสการหลวงพ่อคะ่ะ ครั้งสุดท้ายที่ได้ส่งกันบ้านประมาณเกือบสองปีที่แล้วค่ะหลวงพ่อก็ให้ทำต่อไปเรื่อยๆก็แล้วรู้สึกไหมล้วเราเปลี่ยนแปลงเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองไหมก็เห็นค่ะแต่ว่ามันก็เหมือนยังเปลี่ยนแปลงเท่าคือมันเหมือนผ่านจุดเปลี่ยนแปลงมาแล้วมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนะคใหม่ๆเนี้ยเปลี่ยนมากเลยนะจากไม่เคยรู้สึกตัวแล้วรู้สึกได้เงี้ยมันเหมือนพลิกโลกเลย แต่การเจริญปัญญาเนี่ยสะสมไปเรื่อยๆมันไม่ได้เปลี่ยนทุกวันหรอกบางทีนา น, นานนะหลายหลายปีเปลี่ยนทีหนึ่งก็เลยจะขอความเมตตาหลวงพ่อตรวจว่ามีอะไรที่ต้องแก้ไขหรือว่ามันจะตกค่าวมา<อ>แก้ไขใหม่กนะันละหน้าตี ไ, ไหมไม่มีผิดทางให้รู้ผนสินะสารวจตัวเองอะไรไม่ดีก็ไม่เอาอะไรที่ดีแล้วยังไม่ทาก็ทาซะก็แค่นั้นเองสารวจตัวเอง ชาวพุทธเรียนรู้ตัวเองขณะนี้ใจนะต่างกันมาก่อนเยอะแล้วละขันท่ารูปนามแยกเป็นอัตโนมัติแล้วบางครั้งมันก็ชัดแยกชัดค่ะแต่หลายๆครั้งไม่ต้องนะชัดมากค่ะถ้าชัดมากนะเป็นตัวรู้จอมปลอมเนี่ยทําตัวรู้ปลอมแล้วมื่อกี้นะแยกชัดแล้วแข็งๆอย่างขนณเนี้ยปลอมละไม่ออกไหมจีขณะนี้กับต่กี้ไม่เหมือนกันละ ตะเค้ถูกตอนนี้ไม่ถูกแล้วห้ามไม่ได้หรอกแล้วก็รู้ว่าจิตตอนนี้เป็นอย่างนี้เดี๋ยวก็เปลี่ยนไปเออตอนนี้เป็นอย่างนี้ไม่เหมือนตะกี้ละด้นเนี่แหละคือการปฏิบัติไม่ใช่ว่าต้องอย่างนี้ห้ามอย่างนี้นะไม่มีคำว่าต้องไม่มีธารมะห้ามมีแต่ว่าเห็นไหมทุกอย่างที่มาแล้วก็เปลี่ยนไปดูอย่างนี้ต่า ง, งดูจนมันหนึ่งใจไม่ยอมรับนะคุณภาพของจิตจะเปลี่ยน ใช้เวลานานทรงเนี้ยบางคนหลายปีบางคนเนี่ยไม่กี่วันก็เปลี่ยนแล้วแล้วแต่บารมีของเราแล้วอันเนี้ยความต้นค่ะความเข้มแข็งยังไม่พอรู้สึกเปล่ายังอ่อนแอไปหน่อยนะบางครั้งยังอดครวนบางเรื่องอย่างเช่นเรื่องความพัดภาคหรือว่ามันจะมีบางเรื่องที่เราเซนซิทีฟมากมากะคะยังรู้สึกว่ามันนั่นแหละมันยังคล่าครวนอยู่เลย คลำคล้วนแล้วทำยังไงคะก็ดูลงไปเจ้าตีตายคือก็มีแต่คำว่าห้ามคำว่าทำเห็นลงไปว่าโอ้มันคล่ำคลวนมากมันเวลาจิตใจมันคล่ำครวนนะดูเข้าไปตรงๆจะความคล่ำครวนนะก็ความเศร้าโศกนะแยกออกไปจากจิตจิตเป็นแค่คนดูความคล่ำครวนความเศร้าโศกเป็นของถูกดูนะแล้วมันก็จะเกิดดับให้ดูยังถูกมันครอบอยู่ค่ะขอบพระคุณค่ะอ้าว ธรรมะสการหลวงพ่อค่ะกลัวไหมกลัวคะ่ะหลวงพ่อก็ว่างนั้นแหละใจเต้นตุบุบเลยอย่าให้หยุดล่ะหนูเคยฟังหลวงพ่อจาก y o u t u ู e ป่ะค่ะสามปีที่แล้วตอนนั้นอยู่เมืองนอกอะค่ะแล้วก็พยายามฝึกมาจนเหนื่อยอะค่ะแล้วก็หลังจากนั้นหนูก็เหมือนไม่ค่อยปฏิบัติมากเพราะว่ามันรู้สึกเหนื่อย มันอะไรนะมันรู้สึกเหนื่อยอะค่ะมันต้องมันเหมือนมันมองตามแล้วมันก็ไม่หยุดเลยอ่ะเพราะหน้าผิดสิเพราะหน้าถูกนะสดชื่นออกถ้าจงใจปฏิบัติมันชะเหนื่อยถ้ารู้สึกไปตามธรรมชาติรู้สึกไปสบายๆมันโปร่งโล่งเบานะใจมันมีความสุขแต่ถ้าคิดว่าเราจะต้องทําอะไรสัอย่างรู้สึกไหมในใจเราคิดว่าต้องทํา แทนที่ว่าเราจะรู้กายอย่างที่กายกำลังเป็นรู้ใจอย่างที่ใจกำลังเป็นถ้ารู้อย่างที่เป็นเนี่ยจะไม่เหนื่อยแต่ถ้าคิดว่าจะต้องอย่างนี้จะต้องไม่อย่างนี้นะห้ามอย่างนี้ต้องอย่างนี้เนะี่ยเหนื่อยเพราะนั้นที่ทำอยู่ยังมีการแทรกแสงอยู่นะงเป็นอย่างนั้น ก็เพิ่งมีเหตุการณ์ที่ทําลายจิตใจทึ่งขึ้งา น, นะคะหนูก็เลยเนื่องจากว่าบางทีมันรู้สึกโกรธอะคะ่ะแต่หนูห้ามมันไม่ได้หนูมันจะไม่ได้ให้<า>ห้ามนะเห็นไหมไ ม, ไม่มีคําว่าห้ามไม่มีคําว่าต้องอหนูก็เลยพกยางไว้ห้อยแขนเอาไว้ดีตัวเองเพื่อให้กลับมาที่ตัวเองนะคะอรุนแรงไปไหมคะฟังแล้วเหมือนมาโสกิษ ทำไมมันโหดอย่างนั้นอ่ะเพราะว่าพอเวลามันพอเวลามั น, ม, นมันลงแล้วมันมันลงหรือหนูก็ไม่อยากให้มันลงอย่อับ อ, อย่างนั้นก็ยังดีเดี๋ยวติดนะบ <c oughs> าคนดีดไปเรื่อยเรมันชอบขึ้นมาหลวงพ่อ <c oughs> หนูนะ่าไปหัดภาวนานะตั้งใจให้เด็ดเดียวความทุกข์ไม่ได้มีครั้งเดียวในชีวิตหรอกอันนี้ผ่านไปแล้วข้างหน้ายังมีอีกถ้าไม่เตรียมพร้อมนะเราก็ล้มเหลว อ, อย่างนี้แหละก็ทุกข์มาก ทุกวันต้องปฏิบัติตั้งใจไว้ถือศีลห้าทุกวันปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้านะหายใจออกรู้สึกตัวให้ใจเข้ารู้สึกตัวจะท่องพุทธโธด้วยก็ได้ <c oughs> ใหายใจเข้าพุทหายใจออกโธอะไรก็ได้คิดถึงพระพุทธเจ้าเรื่อยๆแล้วหายใจไปคิดถึงไปหายใจไปคิดถึงไปใจมันมีแรงมีสมาธิขึ้นมานะค่อยมาเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจต่อ <c oughs> <c oughs> สองการบ้านครั้งสุดท้ายเมื่อปลายปีห้าสามยังบังคับอยู่รู้สึกไหมรับเอกถ้าบังคับอยู่มันก็เหนื่อยนะคือเมื่อปลายปีห้าสามหลวงพ่อให้การบ้านไปดูว่ามันมีความมีตัวตนกลับมาไหมครับอะไรนะหลวงพ่อให้การบ้านไปว่าให้ให้กลับไปดูว่ามีความมีตัวตนกลับนมาไหมเห็นแล้วยังก็มีทุกบางคนภาวนาคิดว่าได้โสดานะหรือว่าสงสัยว่าได้โสดาหรือเปล่าอะไรเงี้ย สังเกตดูที่กิเลสคือความรู้สึกเป็นตัวเป็นต น, นะคือตอนนั้นที่คิดว่าได้เพราะว่ามันจิตมันรวมลงไปด้วยตัวมันเองครับใช่แต่พอมันพอเวลาผ่านมาเหมือนกับตรงนั้นมันอาจจะเป็นแค่สมาธิถูกตรงนั้นเป็นสมาธินะเป็นบทเรียนของเรานะตี บ, <ด>บทเรียนที่มีคุณค่ามากนั่นแหละหลวงพ่อสอนโหดนะเพราะตอนนั้นหลวงพ่อไปดูเองเออหลวงพ่อบอกให้ไปดูเถ้าหลวงพ่อบอกให้จะไม่เห็น ถ้าไม่เห็นเนี่ยก็ไม่เข้าใจก็จะงงไปเรื่อยๆนะแม่หลวงพ่อเป็นถ้าเทียบไปนะเป็นพ่อแม่ที่สอนให้ลูกพึ่งตัวเองให้ได้ไม่เป็นลูกแง่ดีนนสังเกตไม่ว่าความคิดเกิดขึ้นมีเราซ่อนอยู่ข้างหลังความคิดจะซ่อนอยู่ ม, ม, มันต้องเป็นแบบคิดแล้วหลงไปจริงๆงนั่นแหละนั่นแหละถ้าเพ่งไว้นะมันเหมือนไม่เกิดไม่มีตัวมีตนนะ แต่เวลากองนะั้นเวลาที่เรามีสติสมาธิดีๆนันที่มันรวมไปด้วยตัวมันเองแต่แบบที่มันไม่ขึ้นมาให้เราเห็นเพราะว่าอำนาจของสมาธิใช่ใช่ฉลาด <c oughs> อย่างนี้ก็น่ารักมากเลย <c oughs> คืออันนี้นี้ผมผมเรียนปัญญาโทอยู่ครับแล้วกำลังจะจบอ่ะครับผมตัดสินใจจะบวชตลอดชีวิตนะครับบวชไม่มีกำหนดอ่ะอยากให้ภาวนาให้เป็นก่อนนะ บวชไม่ใช่โซลูชันของการปฏิบัตินะแต่ว่าชีวิตคารวะของผมมีข้อเสียคือหนึ่งไม่ต่อเนื่องต้องอะไรอะไรไม่ไม่ต่อเนื่องครับการปฏิบัติในคารวะคารวะเนี่ยไม่ต่อเนื่องทุกคนอะอะไรที่ทําให้คารวะปฏิบัติต่อเนื่องไม่ได้รู้ไหมคือการการใช่ครับกา ร, ร, ร, รไม่ใช่แค่เรื่องเซ็กซ์กามเลยอยากดูอยากฟังอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัส วันๆนั้นใจเราแส่สายออกไปหาอารมณ์ภายนอกตลอดแต่ว่าหลวงพ่อฝึกตั้งแต่เป็นฆราวาส น, นะแล้วเวลามาบวชเนี่ยเราฝึกมาตั้งแต่เป็นฆราวาสมาบวชนี่มีความสุขที่มหาศาลเลยใจที่ยังหมกมุ่นกับการปฏิบัติแบบนี้นะถ้าบวชนะจะเครียดเกินไปแต่ว่าถ้าถ้าอยู่เป็นฆราวาสต่อมันจะหมกมุ่นในเรื่องของกรรมไง เรารู้แล้วนี่เราก็จะไปหมกมุ่นเหมือนซิฝ <c oughs> ึกตัวเองคือถ้าฝึกตัวเองได้แล้วเนี่ยการบวชเนี่ยเหมานะเพศของพระเนี่ยเหมาะกับคนซึ่งเบาบางเบาบางหน่อยนะแต่ถ้าใจเรายังหมกมุ่นกับกามเนี่ยจะเจ็บเครียดมากเลยเวลาเป็นพระนันจะเครียดจนกระทั่งเครียดจัดๆเนี่ยจะภาวนามไม่ได้ แล้วที่สำคัญอีกข้อนึงนะที่ยังไม่เหมาะที่จะบวชคือยังติดการเพ่งอยู่ถ้าไปบวชเนี่ยจะกลายเป็นนักเพ่งอมตะเนะพราะมีเวลาเยอะ<ม>จะเพ่งทั้งวันเลยอยู่ในโลกข้างนอกเนี่ยจิตจะกระชอกไปกระชอกมาตลอดเวลา<ม>อันนั้นแหละดีนะมันดีเหมาะสำหรับเราซึ่งติดสมาธินะ<ม>ถ้าไปบวชแล้วก็เงียบไปเลยคราวนี้ ไปพิจารณาดูนะหลวงพ่อก็ไม่ได้ขัดขวางใครจะบวชหรอกแต่บวชแล้วก็ไม่แน่ว่ามันจะดีเขาไม่จะเพลเพ่งแต่บวชแล้วผมไปเรียนกับหลวงพ่อได้มันมน่าจะมีปัญหาบวชแล้วผมไปเรียนกับหลวงพ่อได้นนะก็มีพระเข้าไปเรียนอยู่ด้วยนะเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกนะเช้าเช้าวันที่หลวงพ่อเทศก็เข้ามาเรียนเทศเสร็จแล้วก็ออกไปภาวนาแ ย, ยากย้ายกันไปสนะอบขั้นพื้น แต่เชื่อหลวงพ่อดีกว่านะเพศขราวาสเนี่ยพอนางง่ายกว่าพระนะสำหรับคุณนะถ้าคุณเป็นพระเมื่อไหร่ควรจะเป็นนักเพ่งแก้ยากอยู่อย่างนี้จิตกระเพิ่มขึ้นกระเพิ่มลงดูง่ายกว่าอย่าไปกลัวกามเราเกิดมาเพราะกามอยู่กับกามตายกับกามอยู่ที่ว่ามีสติปัญญารู้ทันไหมถ้ารู้ทันก็ไม่ติดมันถ้าไม่รู้ทันก็ติดมันเท่านั้นเอง ถ้ติดสมาธิแก้ยา ก, กฟุ้งซ่า น, นไหมอ่าฟุ้งครับโอ้ทาไมฟุ้งอ่ะทําสมาธิทุกวันเปล่าทำทุกวันครับทําป็งไงทําให้ดูซิอย่นี้ไม่เอานะาอย่างนี้เพ่งอึดอัดครับเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูซิใจเราไม่เปลี่ยนใจเรายันปกติเลยรู้สึกไหมว่าใจเราเปลี่ยน มันนิ่งๆมาตรงรใจมันบีบเพ้ามาที่นี่ให้นิ่งอย่าไปบังคับมันแต่ก็รู้สึกว่าหลังๆนี้ก็ภาวนาดูเป็นธรรมชาติมากใช่ถูกแล้วถ้าตัดสินนะก็คือภาวนาดีขึ้นแต่ใจยังฟุ้งเก่งถ้าใจฟุ้งเก่งนะ่ยให้ทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วไม่บังคับให้ใจนิ่ง ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วค่อยรู้ทันใจที่ฟุ้งซ่านกลับข้างกันนะแล้ที่ไปนั่งปุ๊บเนี่ยไปบังคับใจให้นิ่งถ้าบังคับใจให้นิ่งเนี่ยพอเลิกบังคับเนี่ยใจจะฟุ้งซ่านมากกว่าคนปกติบางทีก็เห็นว่าจิตมันชอบไปไปเข้นไปบังคับของมันเองแล้วก็แค่รู้ทันใช่ไหมมันเคยชินนะมันอยากดีมันเคยชินไปเค้นเค้นนะถ้าไปเค้นได้ที่แล้วนิ่งเนี่ยพอออกมาแล้วเนี่ยมันจะฟุ้งซ่านกว่าเก่า อากกว่าคนปกติแล้วรู้สึกว่าจะค่อนข้างโมโหแล้วมีโทสะง่ายนั่นแหละนั่นแหละโลนั้นแหละถ้าติดเพ่งมานะเลิกเพ่งก็ร้ายอย่างนั้นนหะครับพวกฤาษีก็นั่งสมาธิไปนะตัวอะไรมาเกาเฉยพิ่งมาต่อยก็เฉยลืมตาขึ้นได้เห็ น, นกวาง <laughs> เห็นนอนดักนี่เห็นนี่ดักนอนนะเห็นผู้หญิงมั้ยสวยอะไรเงี้ยนะครับเราก็หลังๆรู้สึกว่าพอเกิดสติแล้วมันมันแหวกเหมือนกัแบแหวกว่ะมันน้อยแค่รู้สึกว่ามันผ่านนิดเดียวผมก็เลยรู้สึกมันชัน่วขณะเท่นานั้นเองนะดูเป็นขณะๆไปแว็บเดียว อ, อย่าไปเอามากข้าวมากก็โลภเรื่องนี้ผมต้องฝึกสมาธิเพิ่มหรือว่าไม่ต้องครับ ก็ทำกรรมฐานทุกวันนะแล้วใจไหลเรารู้ไม่ใช่ทํากรรมฐานให้นิ่ง <Okay. S 1> ที่ผ่านมามันไปฝึกกรรมฐานแล้วปน้อมจิตให้นิ่งง mm ั hmm. ้นพอออกจากสมาธิมันจะร้าย mm hmm. มันจะฟุ้งซ่านมันจะโมโหมันจะอะไรเงี้ยเป็นทุกคนแหละ <Okay. S 1> ตอนหลวงพ่ออยู่มังกรนะมีคุณป้าคนหนึ่งอายุแปดสบกว่ามาหาบอกว่าเป็นลูกศิษย์อุบาอาจารย์เดียวกับหลวงพ่อเลยลูกศิษย์หลวงปู่เทศ ติดสมาธิมาหกสิกว่าปีแล้วยันบอกว่าที่ฉันเห็นเลยว่าจิตไม่ยอมเดินปัญญาไปฟังซีดีที่หลวงพ่อสอนไว้อะนะแกะเลยรู้ว่าแกติดสมาธิอยู่เฉยๆหกสิกว่าปียันบอกให้ท่านช่วยแก้ให้หน่อยหลวงพ่อดูแล้วอายุต้องแ0ดสิกว่าจะ90ิแล้วเนี่ยถ้าแก้ปุ๊บนะไอ้ที่กดมาตลอดชีวิตนี่มันจะฟุ้งแหลกขึ้นมาแล้วถ้าตายตอนนั้นนะจะไปอาบาย ก็บอกให้ทำต่อไปเหอะในใจเราก็พูดอีกประโยคนึงแต่ไม่ได้ห้าปากให้ใขาได้ยินเดี๋ยวพอพระเมธไตรมานะมาเรียนต่อพระเทเจ้าถัดไปให้มาเรียนต่อตอนนี้แก้ไม่ได้หรอกหลวงพ่อแก่บอกแกว่ามันแก้ยากแก้แล้วมันจะฟุ้งซ่านเวลาเหลือน้อยนะงั้นเวลาจะตายเนี่ยให้รู้สึกร่างกายอย่าให้ร่างกายหายไปให้มันมีร่างกายไว แต่เวลาตายเนี่ยจะไปเป็นพรหมที่มีร่างกายเป็นพรหมที่มีร่างกายเวลาพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปตรัสรู้แล้วแสดงธรรมเนี่ยมาฟังได้เงี้ยการติดสมาธิมากไปก็เสียโอกาสเสียโอกาสยิ่งเป็นไปเป็นพรหมที่ไม่มีร่างกายนะเสียโอกาสมากเลยเหมือนอาราตะบทอุทกดาบทที่พระพุทธเจ้าเคยไปเรียนสมาธิด้วย ตอนพบพระเจ้าตรัสรู้เนี่ยท่านคิดถึงคนคู่นี้ก่อนเลยดาบทคู่นี้กิเลสน้อยกิเลสเบาบางจิตใจสูงมากนะท่านอยากจะไปเทศโปรดคู่นี้ก่อนปัญจวัคคีย์แต่ท่านรู้ว่าตายซะแล้วแล้วท่านดูว่าตายแล้วไปอยู่ที่ไหนคนหนึ่งไปอยู่เป็นอรูปประโภชั้นที่สามอากินจัญญา ย, ยตนะอีกคนหนึ่งในวสัญญานาสัญญายตนะทาอุทานบอกว่าพลาดจากคุณอันใหญ่แล้ว ท่านพุทธทาสท่านาบอกชิบหายแล้วทำไมไปเป็นพรหมแบบนั้นพลาดจากคุณอันใหญ่ไม่มีโอกาสฟังทำงั้นเรื่องของสมาธิเนี่ยเป็นดับสองคมไม่มีก็ไม่ได้มีแล้วใช้ไม่เป็นนะหรือว่าทําสมาธิผิดประเภทก็ไม่ดีงั้นราปรับสมาธิใหม่หายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกหายใจไปจิตหนีไปคิดแล้วรู้จิตหนีไปคิดแลรร้ว เราจะได้สมาธิที่ดีที่วิเศษขึ้นม า, นาไปฝึกเพิ่มตรงนี้ไม่ใช่เลิกทำสมาธินะทำในรูปแบบก็คือดูจิตไหลไปใช่อคอยรู้ทานจิตที่ไหลไม่บังคับให้นิ่งครัะต่อไปวันนี้เขาใส่เสื้อธรรมศาสตร์เหลืองแดงการมัดตสการหลวงพ่อครับผมปฏิบัติมาตั้งแต่ตอนเป็นนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ตอนนี้เพิ่งจะจบออกมาทางานนะครับซึ่งตอนมาทางานเนี่ย ผมจะเห็นความทุกข์เห็นโทสะโมหะโลกกรดลงอ่ะมากนะครับต่างจากที่ที่ที่ที่เป็นมาก่อนนะครับรู้สึกว่าใจมันระบมมันมีอะไรกระแทกอยู่ที่ที่ ท, ที่ที่กลางหน้าอกตลอดเวล า, วลาไปกระทบอะไรถูกล้กระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกใจนะ่นก็เถือนที่ที่กลางอกเนี่แนหะละโรคกรดลงก็ผุดขึ้นที่กลางอกเนี่แหลอริยมรรคก็เกิดขึ้นที่กลางอกนี่แหละสาธุครับ ยังไม่เกิดนะอย่าเพิ่งสาธุดตอนนี้ดวงกิเลสเกิดไปก่อนนะบางทีมันก็ครอบงํำเราได้ครับบางทีก็หลุดออกมาทางทางอวาจาทางกายบ้างเราอย่าให้มันครอบใจถ้ามันครอบรู้ทันอย่าไปยอมมันอย่ายอมถึงขั้นผิดศีลดูมันเข้าไปตรงๆมันก็หลุดออกไปเองแา่ฝึกนะฝึกให้ใจเข้มแข็งมีความมั่นใจในตัวเอง ตอนนี้มันยังไม่ค่อยมั่นใจแต่พอมั่นใจเยอะมันก็จะเซล์จัดต้องระวังอีกนะมันจะสุดต่งไปฝึกไหมตอนนี้ผมรู้สึกถูกหรือยังครับหรือมีตรงไหนที่ต้องแก้ตอนนี้นะตอนนี้เพ่งครับผมตอนนี้ดีขนานเวลาปกติเนี่ยฟุ้งนิดหน่อยอย่างขนาดนี้ยเพ่งรู้สึกไหมเพ่งไปรวบไว้ใจให้นิ่งๆปล่อยปล่อยให้เขาทํางานลืมคําว่าปฏิบัติไป หันไปดูสิผู้หญิงสวยๆข้างหลัง่ะเห็นไหมเมื่อใจมันหลุดออกไปไอ้ที่เพ่งนี่มันหลุดไปนะเริ่มกลับมาเพ่งอีกแล้วรู้สึกไหมใช่ครับมันเรารู้ทันมันนะไม่เคยชินด้วยครับอาจารย์งั้นออกไปกระทบอารมณ์ครับกระทบแล้วมีสติกระทบแล้วนะใจชอบรู้ใจเกลียดรู้อะไอนี้ไปกระทบอารมณ์บ่อยๆอย่าอยู่นิ่งๆอย่าไปนั่งสมาธิคนเดียวเอกไปหาอะไรกระทบอารมณ์นะ แต่ถ้ากระทบเราก็อย่าไปผิดศีลห้าตอนนั้นเละโอเคครับอ่ะมาทางนี้บ้างขอบคุณหลวงพ่อครับกลับนมัสการเห็นเรือเปล่าว่าใจเราเปลี่ยนรู้สึกไหมว่าใจเราเปลี่ยนไปดูออกไหมจากหลายเดือนที่แล้วก็เปลี่ยนอยู่ค่กาะเมื่อก่อนไม่ไหวหลวงพ่อต้กว่าจะภาวนาไม่ได้แล้วคิดมากเราหลุดออกมาได้หัดรู้สภาวะไป ภาาดีสาธุค่ะโยมคล้ายๆจะเห็นที่หลวงพ่อเทศเรื่องเงาของเราแต่ว่าโยมไม่แน่ใจว่าเห็นได้เริ่มเห็นแล้วค่ะไปฝึกต่อนะค่อยๆดูไปสบายๆไม่รีบร้อนนะเมื่อก่อนนี้คิดคิดเก่งเกินไปหลวงพ่อไม่นึกว่าจะพอนาไหวนะคิดมากคิดมากยากนาน ขอบพระคุณหลวงพ่ออย่างยิ่ง อ, อ่ ะ, อะต่อปภาวนาดีขึ้นมากการมรันแยกเป็นธรรมชาตินมันาการนะหลวงพ่อครับถ้าส่งกันบ้านล่าสุดหลวงพ่อบอกว่ายังฟุ้งซ่านอยู่ปกติผมภาวนาพุทโธครัหลวงพ่อบอกให้กลับไปภาวนาพุทโธเหมือนเดิมนะเกิดยังไม่รู้ว่ามันคือคือก่อนหน้านั้นมันจะติดนิ่งเฉยครับหลวงพ่อบอกให้ไปพิหนักกายเพื่อดูใจรักนะครับ ก, ก็ทําอยู่แต่ว่าล่าสุดหลวงพ่อบอกว่ายัางฟุงซ่านให้กลับไปเป่านาพุโทโธมันเด้อเวลาที่เราพิจหนักกายนะไปช่วงหนึ่งนะต้องกลับไปทําสมถะถ้าพิจานักกายรวดไปเลยฟุงนั้นสมถานีพัสนาเนี่ยสําหรับคนดูกายเนี่ยต้องทําคู่ควบคู่กันไปเหมือนขับรถนะเดี๋ยวก็เหยียบคันเร่งเดี๋ยวก็เหยียบเบรกจะไปเหยียบคันเร่งอย่างเดียวก็ฟงุงซ่านเหยียบเบรกอย่างเดียวก็ไม่ไปไหนติดสมาธิอยู่ที่เดิม ตอนนี้ดีกว่าข้างก่อนแต่รู้สึกไหมว่าเริ่มเพ่งแล้วไม่เพ่งปล่อยให้มันทำงานนะปล่อยมันทางานไปคราวนี้ดีกว่าแต่ก่อนแล้วละนั้นเราสังเกตตัวเองช่วงไหนจิตใจผงซ่านทาความสงบช่วงไหนสงบแล้วดูกายทำงานนะดูกายทำงานแล้วมันจะเห็นจิตดูกายแล้วมันก็จะรู้ทันจิตด้วยไปฝึกอีก คือเหมือนกับว่าถ้าถ้าเราภาวนาพุโทโธไปแล้วถ้าเกิดว่ามันมันนิ่งๆก็พินากา ย, ยาใช่ไหมครับมันเลยนะมันมีการแบบนิ่งๆใช่เลยถ้ามันนิ่งอย่างนีนพินากายเลยถ้าพินากายแล้วก็จะเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจที่เพ่งไว้ก็จะคลายออกแล้วมันก็จะเป็นรู้ที่พอดีเป็นตัวรู้ที่พอดีนะแล้วเห็นร่างกายทํางานไปแล้วถ้ามีความรู้สึกอะไรแทรกเข้ามาในใจก็จะเห็นด้วย นี่พอดูไปสักช่วงหนึ่งใจชักฟุ้งซ่านกลับไปทําสมถะใหม่ถ้าเดินด้วยสายการพิจาร์ ก, กายสายพุทโธเนี่ยทำความสงบแล้วต้องเดินปัญญาด้วยการพิจารณาร่างกายนะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าจิตเข้าสมาธิลึกแล้วเนี่ยจะไปดูจิตไม่ได้มันจะไม่มีอะไรให้ดูมันจะว่างงั้นเมื่อทําสมาธิลึกแล้วออกมาเนี่ยให้ดู ก, กายไว้ถ้านะกายเนี่ยไม่หนีไปไหน แต่ถ้าไปดูจิตทุกอย่างจะว่างหมดเลยงั้นการทําสมาธินะการดูกายนะเหมาะกับสมถญาณิกเหมาะกับคนเล่นสมาธิส่วนการดูจิตเนะีนะ่ยเหมาะกับพวกวิปัสสนาญาณิกพวกเดินวิปัสสนาไปเลยเราสมาธิเกิดทีหลังคือตอนที่เราภาวนาพุทโธนั่นก็คือใจใจถ้ามันหลงอะไรไปคิดแล้วให้เรารู้อย่า ง, างนี้ใช่ใช่ให้รู้<อ>แต่อย่าดึงคืน ให้รู้นะแล้วไม่ดึงคืนไม่รู้รู้แล้วไม่ดึงคืนก็คืออยังไงคั้นลวงพ่อโทษก็อย่างเราพุดโธพุดโธพุทโธมันหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ว่ามันหนีไปคิดมันช่างมันเราก็พุดโธใหม่ไม่ไปดึงจิตคืนมานะถ้าดึงจิตคืนมาแน่นเลยนะรู้จักคุณแม่จันดีไหมรู้จักครับเออคุณแม่จันดีนะเคยถามหลวงพ่อบอกท่านอาจารย์ภาวนายังไงจิตมาลงที่เดียวกันเลย หลวงพ่อบอกหลวงพ่อทำอานาปณสตินะลมมันระงับไปกลายเป็นแสงแสงอยู่ที่นี่จิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนไปอยากแสงเรารู้เคลื่อนเรารู้ในสุดตัวรู้เนี้ยเด่นดวงขึ้นมานะแล้วเจริญปัญญาถ้าบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็หลักเดียวกันแต่ท่านไม่ได้ใช้ลมหายใจหลวงตางมาฮาบัวเนี่ยให้ท่านพุทโธเอาถ้านก็พุทโธเนี่ยทำความรู้สึกอยู่ที่เนี้ยพุทโธแล้วจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้ไม่หลักเดียวกันพุทโธไม่ใช่บังคับจิตให้นิ่ง แต่พุโทโธแล้วจิตเคลื่อนให้รู้หลวงพ่อหายใจแล้วจิตเคลื่อนให้รู้ไม่ใช่หายใจแล้วทำจิตให้นิ่งถ้าอย่างนั้นเราจะได้สมาธิที่ถูกต้องขึ้นมาขอบพระคุณครับบ๊งดีกว่าเก่าแล้วละ่ะใช้ได้กราบนมัสการหลวงพ่อปามทครับส่งกันบ้านครั้งแรกครับรู้จักหลวงพ่อผ่าน youtube ครับหกเดือนที่แล้วตอนตุลาครับ ก็ปัจจุบันก็พยายามรู้สึกตัวในชีวิตประจําวันอยู่แล้วก็พอดีเพื่อนๆที่รู้จักกันเนี่ยที่มามาได้กันเนี่ยเขาส่งกันบ้านกันหมดแล้วก็เลยคิดว่าถึงเวลานควรครับหเดือนรู้สึกหรือเปล่าว่ากายกับใจเป็นคนละอันกันครับรู้สึกไหมว่าสุขทุกข์ดีชั่วกระจายเป็นคนละอันกันนะงั้นเราแยกขันได้ล้เมื่อเราภาวนาถึงจุดที่แยกขันได้แล้วเนี่ย มันดีมันวิเศษตรงไหนมันจะเริ่มเห็นว่าสภาวะทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับไปอย่างร่างกายที่หายใจออกเกิดแล้วก็ดับไปร่างกายที่หายใจเข้าเกิดแล้วก็ดับไปร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนนะอยู่ชั่วคราวแล้วก็เปลี่ยนไปจิตใจที่สุขที่ทุกข์ที่ดีที่ร้ายอยู่ชั่วคราวแล้วก็เปลี่ยนไปงั้นถ้าเราสามารถแยกขาดออกมาได้เราก็จะเห็นแต่ละตัวแต่ละตัวเกิดดับได้ แล้วแต่ละตัวไม่ใช่เราพอแยกได้นะยังไม่มีเรา ค, รความเป็นเราเกิดจากขันนั้นมารวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเรีว่ามันมีคณะขอละขังนอนหนูคณะเวลาเราพอนาถูกในคณะแตกมันจะแยกออกจากกันกายส่วนกายสุขทุกส่วนสุขทุกดีชัว่วส่วนดีชัว่วจิตที่เป็นคนรับรู้ส่วนจิตแต่ละอันจะไม่ใช่เรา รู้สึกไหมเรารู้สึกที่ร่างกายรู้สึกไม่ร่างกายไม่ใช่เรารมันจะรู้สึกทันทีเลยนะไม่ต้องดัดจริตรู้สึกเลยะจะเป็นอัตโนมัติเพราะเราขนานาทุกหลักละ <qu am S 3> <c ual ith> ความสุข <c ual ith> ความทุกข์ไม่ใช่เร า, ารู้สึกไหมโับโกรดลงไม่ใช่เราสั่งไม่ได้มันของถูกรู้ทั้งหมดเลยจิตนี้ก็สั่งไม่ได้สั่งให้รู้สึกตัวเ็าไม่ได้นะห้ามเผลอก็ <Piet. S 2> ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วเขาไม่ได้ดูไปด้วย แล้วปัญญามันจะเกิดมันจะรู้ว่าตัวเราไม่มีคทำถูกเป๊ะ เ, เลยครั บ, <อ>บคุณครับหลวงพ่อลืมไปหลวงพ่อตรวจกันบ้านแล้วก็ยังไม่ได้พูดเลยเนะเอาพูดซะหน่อย อ, อขอคำแนะนำ้วยครับแนะแล้วผ่านครับ เ, เวลาที่เหมาะสมคราวหน้านี่คนจะมาอีกทีเมื่อไหร่ดีครับสำรวจตัวเองดูงถ้าเราภาวนานนะเราช่วยตัวเองได้เราก็ดูไป แต่ถ้าพาวนานแล้วรู้สึกโอ้โเจริญลูกเดียวเลยจเจริญตลอดเวลารีบมาเลยขคำคันรนะกราบนวัส ก, การครับหลวงพ่อส่งการบ้านา<อ>ครั้งแรกชอบเพ่งไหมอ่าเพ่งอยู่ครับอยังเพ่งอยู่นะยังเพ่งอยู่ดีขึ้นแต่ว่ายัางเพ่งอยูอ่ขอการบ้านครับดูร่างกายเราอย่างติดเพ่งนะ กรรมฐานที่เหมาะกับพวกติดสมาธิคือกายดูไปได้ร่างกายแต่ละส่วนแต่ละส่วนแยกออกไปผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราดูเป็นทุกวันทุกวันนะเวลามันเดินก็เห็นร่างกายมันเดินไม่ใช่เราเดินเวลามันอึ น, นะจะอึจะชีนะ่อะไรเนี่ยเห็นร่างกายอึเห็นร่างกายฉี่ไม่ใช่เราทั้งนั้นนะไม่ว่าจะอาบน้ํากินข้าวเห็นร่างกายมันทําไม่ใช่เรา ดูอย่างนี้บ่อยๆแล้วดีขอบคุณครับคนสุดท้ายนมัสการครับหลวงพอ่อก็ติดตามหลวงพ่อมาสักห้าปีนะครับก็มาส่งกันบ้านครั้งแรกครับก็เมื่อก่อนนี้ดูทางยุบหนอพองหนอมาครับก็เป็นอย่างที่หลวงพ่อเรียกเขาผิดคนะรับเขาพองยุบไม่ใช่ยุบหนอพองหนอครับก็เป็นแบบที่หลวงพ่อพูดก็คือติดดูสมาธิครับเข้าไปจนลึก เกินไปนะครับแล้วก็เดินปัญญาไม่เป็นจนกระทั่งมาได้หนังสือของหลวงพ่อนะครับก็มีวันหนึ่งนั่งนอนสมาธิเงี้ยนะครับนอนไปแล้วก็เข้าสมาธิคราวนี้เมื่อก่อนเนี้ยเวลาเห็นนิมิตภาพขึ้นมาเนี่ยเราจะบอกว่าให้มันหายให้มันหายอยากให้มันหายแต่เราก็คือสั่งด้วยว่าเห็นเหรอเห็นเหรอมันไม่หายไปเงี้ยแต่พอตอนนี้เนี่ยพอใช้วิธีของหลวงพ่อบอกว่าเออเห็นปุ๊บรู้ปุ๊บเห็นดับปุ๊บก็เห็นว่าเอ เออใช้ได้สักพักหนึ่งภาพกลับมาอีกเห็นมุ้ดับไปอีกเนี่นะฮะแล้วก็สักพักหนึ่งภาพก็ไหลเข้ามาเรื่อยๆดับจนทั่งไหลหมุนลงมาให้เราเห็นดูปุ๊บปุบปบแต่ตอนนี้เนี่ยพอดูไปสักพักหนึ่งปุ๊บก็เหมือนอว่าเอ๊ะเหมือนกับว่าหลับแล้วก็ตื่นขึ้นมาตอนเชา้าถึงจะรู้ตัวว่าเอ๊ะเกิดเห็นภาพอย่างเงี้ยฮะมันมันไม่ได้ย้อนเข้ามาที่จิตครับมันยังดูนิมิตอยู่ครับนะเห็นนิมิตเกิดดับจริงนะ แต่เสร็จแล้วใจมันไม่ได้ ม, ไ ม, ไดมันไม่ได้ย้อนมาที่ใจคืบอ <c oughs> อกปนะ่ะ <c oughs> มันก็ไหลไปกันแล้ก็ว่างไปลเลยก็หลับไปไมันไปขานอกครับ <c oughs> ต่อไปถ้านิมิตเกิดนะเรารู้ทันใจใจไม่ชอบหรือว่าไม่ชอบใจชอบรู้ว่าชอบ <c oughs> ถ้ารู้ลงมาถึงใจที่ชอบที่ไม่ชอบใจเข้าสู่ว่ามเป็นกลางครับ <c oughs> นิมิตจะมีจริงหรือไม่มีจริงก็ไม่สําคัญแนระ้วถ้านิมิต ท, ที่จิตสร้างขึ้นมาจะหายหมดเลย ถ้าเป็นนิมิต ท, ที่มีจริงมันก็ยังอยู่ของมันนะเนื่อเรานั่งภาวนานอยู่เนี่ยเห็นเทวดามานั่งเห็นผีมานั่งเนนั่งปุ๊บเราก็ดูที่ใจเราใจกลัวหรือว่ากลัวนะอความกลัวดับไปลองย้อนออกไปดูถ้าจิตมันสร้างนิมิตรที่มันนั่นจะหายไปถ้ามันยังนั่งอยู่ก็เออผีจริงรจริงครับก็คือตอนนี้ก็ รู้สึกตัวเองว่าโอเคค่อยๆเห็นในชีวิตประจำวันก็บางทีความโกรธขึ้นมากระดับไปหรือว่า ค, ความเปลี่ยนเป็นความลาคาเล็กๆๆขึ้นมาวิ่งให้ดูอย่างนี้ฮะจุดที่อาจจะต้อกปรับอย่างนิดหนึ่งนะคือคมันชินที่จะตั้งตัวร้วยครับนะมันชินมันรักษาความรู้สึกตัวเนี้ยรู้สึกไหมมันเหมือนมันดึงขึ้นมานิดหนึ่งครับมันจะอยู่อย่างนี้แล้วก็จะเห็นทุกอย่างเกิดดับหมดเลยแต่ไอ้ตัวนี้คงที่ ปล่อยการยึดถือตัวนี้ปล่อยการที่บังคับควบคุมตัวนี้ซะตัวนี้เองก็เกิดดับได้เช่นเดียวกับตัวอื่นๆถ้าเห็นว่าตัวรู้เองก็เกิดดับได้ก็จะพ้นเคราะห์พ้นเบญพ้นกรรมที่ได้ฝึกมาแต่ก่อนนะไดครับขอบคุณครับที่ฝึกมาเป็นสมถะนี้นจะติดตัวรู้อยูนะ่แต่ว่ามันก็ได้บุญนะแต่พอเราฝึกชนานาญแล้วต่อไปพอเราทาถูกแล้ว ของพวกนี้ไม่ได้เสียเปล่ามันกลายเป็นของเล่นหมดแล้วละ ล, ลำดับสุดท้ายนะคะขอชวนทุกคนนะคะร่วมกันตั้งจิตนะคะเพื่อที่จะถวายาจตุปปัจจัยที่ทุกท่านได้สมทบมาในวันนี้นะคะเครื่องไทยธรรมและสังฆทานค่ะอิมานิมยังพันเตกัปปิยพันธานิ พิกุสังคสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตพิกุสังคโคอิมานิกัปปิยะพันธานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีขรัตตังฮิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งกับปิยพันธ์ทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับซึ่งกับปิยพันธ์ทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทินยถาวะริวหาปุราภริปุเรนตีสาครังเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัะปติอิชิตังปะิตังตุมหังคิ ป, ปะเมวะสมิจตุสัพเ พ, พปุเรนตูสังกปาจันโทปนรโสยถามณีโชติระโสยะถา สัพพีติโยวิวัชันตุสัพพาโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายยโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุธาปจา ย, ยโนจ ต, ตาโรโธรมาวทันตีอายุวนโนสุขังพลังขอเวลานอกนิดหนึ่งพวกเรารู้สึกไหมว่าจิตใจของเราขณะนีนะ้ก็ตอนที่มานั่งฟังครั้งแรกเนี่ยไม่เหมือนกัน ตอนที่เข้ามาฟังใหม่ๆนะกับขณะนี้ไม่เหมือนกันรู้สึกไหมขณะนี้ส่วนใหญ่นะใจเรารู้สึกไหมมันโปร่งใสขึ้นมันสว่างขึ้นนะนี่ขนาดฟังธรรมะนิดเดียวนะใจยังเปลี่ยนเลยรู้สึกไหมว่าเปลี่ยนนะงั้นไปดู YouTube นะแต่ต้อง YouTube หลวงพ่อนะไม่ใช่ไปฟังเพลงไปลนะ อนุโมทนานะกทางมหายลกับผู้จัด